ขอกราบาและพ่อครูและบูโศมด้วยความเคารพอย่างสูงครับประเจริ์นำตำลึกดีพวกเราที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการเรียนอิสระตามสำนึกวันนี้วันจันทร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2556เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแปดปีมาเสง็งปีนี้ บอกว่าเป็นปีที่น่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าดูเหมือนเขาจะบอกอยากให้เปลี่ยนแปลงดีๆะนะมรเช้าจะมาบิณฑบาตไปคุยกับโยมที่เขาใส่บาตรมาจำเขาเออเขาพูดถึงว่าที่เขาไม่ได้ใส่บาตรมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเออ เขาอันเหยียบันไดพาดบอกบันไดเันนียมันจริงมันมีสองสามขั้นนะเขาเหยียบมาตั้งสามสิบปีแล้วมันน่าจะพาดเลยต้องไปทํากายภาพบาบัดถึงเจ็ดวันแตโยมที่เขาเล่าเนี่ยเขาอายุแปดสิบปีแล้วนะแต่จริงๆมันก็มันก็ถือว่าเอ้ก็น่าสะดุกใจเหมือนกันว่าก็บอกหมอพอเจอหน้าหมอหมอก็ถามไปทําอะไรทุกซนมาอย่างเงี้ยนะก็คือบันไดกันอย่างเงี้ยบันไดก็มีสองสาขั้นแค่นี้แล้วก็ ยมเขาก็บอกว่าเดินมาตั้งสามเดินขึ้นเดินลงบันไดตังสามสิบกว่าปีแล้วทําไมมันพลาดได้แต่ว่าถ้าไปดูอายุการใช้งานของคนเดินแล้วเนี่ยก็ถึงเดินแล้วไม่เดินก็น่าจะล้มอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> เพราะว่าอายุแปดสิบแล้วก็ดูว่าชีวิตพอถึงวัยในระดับนึงเนี่ยนะคุยกับโยมม่นานแล้วก็เดินเข้ามาในชุมชนเราเอา่อ เขาก็ในจุมชนเราเนี่ยเขาก็รายงานเหมือนกันอันนี้ก็คงจะแปดสิบกว่าบอกว่าเช้าเพิ่งล้มมาเนี่ยอันนี้ก็คงจะแปดสิบกว่าแล้วเหมือนกันนะคือรู้สึกว่าชีวิตจริงๆมันเหมือนกับเรากำลังเดินทางเดินทางมาแล้วก็รอวันที่จะล้มถึงให้เก่งยังไงเนี่ยพอดีสายที่ไปบินทาบาทเนี่ยมีหมอท่านหนึ่งแต่ตอนนี้อายุ ก, ก็แปดสิบสาแดสี่แล้วหมอขนาดหมอระวังอย่างมากเลย เดินไปไหนเนี่ยก็ต้องถือที่ที่เดินเนี่ยนะเออมันมีสี่ขาอย่างค่อนข้างจะระมัดระวังอย่างกระช้าคือขนาดกรช้าอย่างนั้นก็ถามล้มม่ล้มเป็นประจำนะนะก็ล้มมาเป็นธรรมดาแล้วคือมันเหมือนกับว่าชีวิตเกิดมาก็เพื่อโตแล้วก็แก่แล้วก็ค่อยล้มลงไปแล้วก็ไปบังสกุลกันนะสุดท้ายก็รอวันบังสกุลกัน คิดก็ดูกเหมือนเท่านี้แล้วเราก็กําลังเดินทางไปสู่อย่างนี้เนี่ยแต่พ่อครูก็ตั้งคําถามเหมือนกันเลยคนเราพ่อครูเห็นนักการเมืองที่ก็วางแผนอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่นกันท่านก็เปิดเปิดเอาว่าไม่รู้พวกนี้เขาคิดถึงเรื่องเขาจะตายกันบ้างหรือเปล่าเราผมไม่คืลืมคิดแต่เรื่องจะลืมคิดเรื่องที่จตายอ่นะเขาจะคิดแต่เรื่องว่าอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นแต่ทั้งที่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีแล้วเนี่ย ทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างของเราทั้งสิ่งต่างๆนา น, นานเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เดินทางไปสู่ความเสื่อมความที่ต้องพัดภาคความที่ต้องสูญเสียจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะแต่เพราะความที่เขาหมกมุ่นบัวเมาอยู่กับลาภส ก, กาละอยู่กับโลกธรรมเนี่ยก็ทําให้มนุษย์ลืมแก่ลืมเจ็บลืมตาย เหมือนจะระลึกได้อีกทีกันตอนกินเหล้าเมากันนะเราจะพูดคุยธรรมะ ก, กันขบงชงเชงเลยพอพอหายเมาแเรวก็ก็จะกลับไปยังลาบยังยศกันอย่างเก่าก็วันนี้พอดีจะมามาแทนอาจารย์กฤษดาซึ่งจริงๆรู้สึกว่าตอนนี้อาจารย์ดูการติดตามอยู่เยอะเลยกระตั้งอาจารย์ก็คุยบอก ว, ว่าเดี๋ยวต้องมาให้ได้ทุกทิศ พอดำหลีเขาที่แล้ววันนี้ก็เจอนิจังเช่นเดียวกันตัวเองก็พร้อมแล้วแต่ว่าแม่เห็นว่าแม่บ้านป่วยไม่สบายอาจารย์ต้องคอยอยู่ดูแลป h a r m ก็เลยต้องมาทําหน้าที่แทนอาจารย์กฤษดาในธรรมชาติของความไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นไม่เที่ยงทางทางรูปทางทางรูปเฉ ย, เยแต่ว่าจริงๆมันเป็นไม่เที่ยงแบบนี้นเป็นความไม่เที่ยงของโลกีอะ แต่ทำยังไงเราถึงจะให้ความไม่เที่ยงเนี้ยที่มันเป็นโลกีญะเนี้ยเข้าถึงโลกุตระได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของพวกครูที่พยายามจะให้เราเนี่ยเจอความไม่เที่ยงทั้งหลายเจอต้องเจอความเจ็บความแก่ความตายความที่งยืนอะไรไม่ได้เลยเนี้ยจะผันแปรเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มาสู่โล ก, กุตระอย่างไร mm. พ่อครูเองก็ดูเหมือนว่าท่านยังไม่เคยย่อท้อก็จะพูดย้ำพูด อธิบายแม้คนไม่เข้าใจด่าว่ามากันแล้วแต่ดูนะนะไม่ได้ทําให้พลังท่านที่จะยอดทอนในการจะชี้แจงนําความเข้าใจแต่อย่างใดวันนี้คงเป็นเวลาลำบากครับที่พครูจะได้ทําหน้าที่นี้ต่อนะครับขอรัตนาครับ <c oughs> อ้าเราก็มาพูดอธิบายตามที่ท่านเดินดินได้เกริ่นว่าอยากจะอธิบายให้พูดถึงเรื่องว่าความเที่ยง ไปพูดถึงความไม่เที่ยงแไปก็พูดถึงความเที่ยงศา <c oughs> สนาพุทธเนี่ยผู้ที่ศึกษาเพิ่งเพินก็คิดว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องความไม่เที่ยงแม้ที่สุดสูงสุดก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องถึงขั้นไม่เที่ยงสูงสุดก็ต้องถึงขั้นไม่เที่ยง แต่ใครยังไปเห็นว่าอะไรเที่ยงอยู่ผิดนะมันเป็นความซับซ้อนเป็นสัจจะย้อนสภาพที่ยากมากเลยความเที่ยงความไม่เที่ยงน่ยะอราจะมาเอาตรงนี้กัแล้วกันเอาประเด็นความเที่ยงความไม่เที่ยงของปรมัตญธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละนะประัชญาธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยความเที่ยงความไม่เที่ยงขย้ายความตรงนี้กันดูให้ดี ให้เข้าใจสัจธรรมอันนี้ดูบ้งางอ่วันนี้จะอันอื่นๆพักไว้ก่อนเอาตรงความเที่ยงความไม่เที่ยงนี่มันเทียงกันนะนีะ่เป็นความเห็นของอัตมาจนความเห็นของท่านผู้อื่นท่านก็เห็น <Dragons. S 1> ท่านไปต่างๆนานาสารพันก็แตกต่างกันไปอัตมาก็แสดงความเห็นของอัตมาบ้างไอ้ความไม่เที่ยงนั้นน่ะ เป็นสามัญละักษณะเป็นลักษณะสามาัญสามัญในภาษาไทยเรานี่มันเข้าใจความหมายว่ามันก็เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทั่วไปสามัญเป็นเรื่องความไม่เที่ยงซึ่งก็ถูกต้องความไม่เที่ยงเป็นเรื่องสามัญเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องใคยๆก็ถ้าเข้าใจให้ได้ก็คือไม่ยากจะเข้าใจให้ได้ก็ไม่ยากมัง RM. ความไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยง มันไม่คงที่มันไม่อยู่อย่างนั้นทาวรนนรันดรหรอกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอาจจะอยู่นานของแข็งก็เปลี่ยนสลายตัวไปยากหน่อยนานหน่อยเราก็เห็นว่าเหมือนมันเที่ยงแต่ไม่เที่ยงมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปไอ้ที่ไม่ใช่ของแข็งปานนั้นของเหลวของอะไรก็ของเหลวนั้น อย่งอาโปธาดิยากเนะี่ยที่ไปรู้สภาวะของอาโปธาดเพราะอาโปธาดเนี่ยมันมันเป็นลักษณะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้แต่คนเห็นอาโปคือนา้าคนเห็น น, น้ำเนี่ว่านี่แหละคือธาตุแท้จริงๆอาโปธาดไม่ใช่ตัวที่จับกลุ่มกันเป็นนา้ามันละเอียดกว่า น, น, น, นั้นเป็นธาตุที่เลื่อนไหลเลื่อนไหล ธาตุที่เลื่อนไหลอ่าไอ้ที่มันจับกันเป็นน้ำเนี่ยคือมันสภาวะของธาตุนินเข้ามาจับกันอเอาค้ภไปส ภ, สภาวะของธาตุลมเข้ามาจับกันธาตุลมคือแก๊สเนี่ยมันเขามาจับกันเป็นเป็นน้ําความจริงนี้ธาตุน้ําก็คล้ายๆกับแก๊สมันมันมันว่างมันเลื่อนไหลไป เพราะฉะนั้นาตน้ำเนี่ยใกล้ๆกับธาตุลมน่นะซึ่งยากอันนี้อัตมา ก, ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรน่นะเอาเลยไม่ไม่ตั้งใจใจะอธิบายพวกนั้นอธิบายเรื่องเที่ยงไม่เที่ยงนี่กันซะ ก, ก่อนทุกคนศึกษาธรรมานี่จะเข้าใจง่ายเบื้องต้นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์อ่ามันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจะดับสนิทหรือไม่ดับสนิทก็เปลี่ยนสภาวะนั้นไปบางอย่างมันก็ดับหายสนิทไปแล้วไม่เกิดอีกก็ได้โดยเฉพาะวัตถุมันเปลี่ยนแปลงสลายไปแล้วมันก็ไปปรับจับตัวใหม่เป็นอันใหม่อันเก่ามันก็ไม่อยู่อมันก็เปลี่ยนมันมันมันก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนทีนี้การเกิดขึ้น ไตรลักษณ์นี่มีสามลักษณะสามไตรลักษณ์คือลักษณะสามไตรคือสามลักษณะก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าอะไรเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ลักษณะการเกิดขึ้นลักษณะการตั้งอยู่แล้วก็ลักษณะลักษณะของการไม่มีคือดับไปผ่านไปหมดอันนี้ไปมัรภาวะนี้ไปสามอย่างนี่วนเวียนอยู่เนี่ยดขึกนตั้งอยู่ไปของ วัตถุของอะไรอะไรก็ใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาสามัญทีนี้ในสิ่งลึกซึ้งคือปรมาจาธรรมปรมาตาธรรมหมายความว่าเป็นนา ม, ม, ารมาธรรมปรมาตาธรรมนี่จะหมายถึงนามธรรมาหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่าหมายถึงจิตใจจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันพักยกเหมือนกันดับไปนี่ก็พักยก อกิเลตที่มันเป็นตัวกิเลสอยู่ในจิตใจนี่แหละมันเป็นตัวการที่เราจะต้องศึกษาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันดับจริงหรือเปล่ามันดับจริงหรือเปล่าฟังประเด็นตรงนี้ชัดๆนะทุกคนนะ่ะกิเลสขึ้นและได้บมเรกกิเลสหรือไม่ได้บมเรกมันก็ดับสุริยไสยมันก็ดับ ไม่ได้จริงๆมันก็ต้องนับแต่มันอาคาิต่อมันฝังใจว่าขาดไม่ได้คราวนี้ขอน่าฆ่าแก้แค้นข้าต้องเอาให้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าได้เออขงกวางไปไอ้วางไปนี่ไม่ได้หมายความว่ากิเลสของคุณน่มันเล็กลงนะมันยิ่งกิเลสนะมันยิ่งมัะวชอบใจฝังใจนะ กิเลยิ่งอ้วนมาทั้งนั้นเถอะกิเลยิ่งโตขึ้นเพราะมันได้อาหารในความสมใจชื่นใจกับบําเลอไปนะเพราะฉะนั้นมันพักยกเนี่ยมอนเหมือนมันดับไปมันหยุดอาการหยุดการแสดงตัวนี่มันเหมือนมันดับไปมันผ่านไปนะเพราะในผู้ที่ไม่ได้ศึกษาสัจจะอย่างลึกซึ้งไปถึงขั้นประมาทสามารถอ่านจิต แล้วก็รู้แยกวิจัยเอ า, เอาตัวเหตุปัจจัยในจิตนี้ได้เหตุปัจจัยตัวที่มันจะต้องเป็นตัวกิเลสนั่นแหละเหตุปัจจัยตัวกิเลสที่มันจะต้องเอามาเสพสมไม่ได้ได้บําเบลความต้องการของคนตั้งแต่เริ่มเรขาโลกธรรมเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วัตถุสมบัติวัตถุสมบัติที่เป็นโปราดิกาอัตตาเป็นตัวตนที่หยาก ดินน้ำไฟลมวัตถุสมบัติเงินทองเก่าของแผ่นดินแผ่นาน้ำโลกทั้งโลกเลยรวมทั้งต้นหมากรากไม้สัตว์เสือสิงส์ตัวบุคคลทั้งหมดเราอยากได้เป็นบริวารหรืออยากได้เป็นผู้ที่อยู่ในอนัตของเราเป็นภาสของเราง่ายๆเป็นภาสเป็นเราเป็นเจ้าของแม้จะเป็นสัตว์แม้จะเป็นบุคคล บุคคลก็ต้องเป็นธาตุรับสัตว์ก็ต้องเป็นธาตุเราต้นไม้ก็ต้องเป็นธาตุเราหรือเราเป็นเจ้าของมีสิทธิจัดการอย่างไรก็ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเจ้าขอ ง, ของนั่นตั้งแต่อราทิกาอัตตาปัญญาเป็นยอย่างนั้นเสร็จแล้วในความไม่เที่ยงที่อธิบายกันว่าอราทิกาอัตตาหรือสิ่งที่เป็นวัตถุธรรม ไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นวัตถุทั้งนั้นมันไม่ใช่ของคุณแท้ไม่ใช่ของคุณจริงหรอกมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็สมบัติพัดกันชมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิฤทธิความสามารถคอาเก่งเอาวิตย์ยึดไว้เป็นของตนได้นานเท่าไหร่คุณก็ต้องตายจากมันสุดท้ายคุณต้องตายจากมันคุณตายจากมันแล้ว เรียนรู้กันในศาสนาพุทนี้ว่าตายแล้วก็ต้องเกิดมาไม่อีกถ้าเพราะว่ายังไม่อรหันยังไม่ปรินิพานสูญเลิกไม่มีไอ้เรื่องราวเชื้อเก่าๆที่จะมาเป็นอัตภาพเก่าเข้ามาบนเปลียนอะไรอีกเลยต้องอรหันถ้าไม่อรหันต้องเกิดอีกเกิดมาอีกนั้นไอสมบัติวัตถุต่างๆที่คุณมีชาตินี้แล้วก็ตายจากไปนั้น คุณไม่ได้คืนหรอกคุณจะมาตูเอาอีกยังไ ง, งไงก็ไม่ได้คุณจะมีหลักฐานยืนยันยังไงทางโลกหนี่งเขาก็ยิ่งกฎหมายสมัยนี้ที่ไหนก็ไม่ให้คุณหรอกคุณตายเกิดแล้วคุณมาถึงว่านี่ฉันพิสูจน์ได้ว่าอันนี้มันของก่อนชาติก่อนของชั้นเนี่ยต้องคืนให้ฉันมีไม่มีกฎหมายชาติประเทศไหนขเขายอมไหมเอาหนักกฎหมายนักกฎหมายมีไหมกฎหมายนี้มีไหม ไม่ครับไม่มีหรอกกฎไม้ไหนเขาก็ไม่ยอมให้หรอกตายไปแล้วทุกอย่างเป็นตกเป็นของผู้อื่นมันจะเป็นของใครก็แล้วแต่อัตมามนอธิบายแล้วต่อให้งง <c oughs> เชิญงงคุณทิ้งไปแล้วมันจะเป็นของใครก็ไม่รู้อัตมาก็ไม่พูดถึงก็แย่งกันไปหรื่องแย่งกันไปตามปติกาไม่กติกาก็วตามใจเถอะบาปไป เพราะฉะนั้นก็มาบอกกันว่าไอ้ไอ้ของพวกนี้สมบัติวัตถุโลกวัตถุต่างๆพวกนี้มันไม่เทีย่ยงมันไม่ใช่ของเราอทุกคนก็รู้แต่ถึงยังไงว่ายังไงก็อเอาไว้เป็นของเราจนตายแล้ววะอ <c oughs> ก็รู้พอยังไม่ตายกา็ยังไม่ให้ใครอจอนกระทั่งมีลัทธิเป็นของตัวจนจนตายตายแล้ว อยากให้ใครก็ทำพินในกรรมเขียนไว้ให้คนนั้นคนนี้ไปถ่ายทอดไปหมดสิทธิ์โอยอบอุ่นของข้าจนกระทั่งเนี่ยข้ามอบให้นะเนี่ยถ้าข้าไม่มอบไม่ได้นะโอ้คุณไม่ต้องไปเขียนพี่ในกรรมมันก็แย่งกันมันก็แจกกันถ้ามันสุภาพมันก็แจกกันมันไม่แจกกันมันก็แย่งกันหรือไม่มีใครมีสิทธิ์ได้รับก็ริบไปถ้าตาม หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ได้แล้วอันนี้คุณตายแล้วรัฐต้งริบไปหรือว่าผู้ที่เขาควรได้เขากวริีบไปคุณก็ไม่ได้นะมันต้องพลากจากกันพระพุทธเจ้าถึงมีหลักเกณฑ์ว่าทุกอย่างต้องพลากจากกันนะนี่คือความไม่เที่ยงของโอราลิกาอัตตาที่ง่ายๆเพราะฉะนั้นศึกษาแล้วก็จะเข้าใจได้ที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่เข้าใจหมดแล้วแต่ทุกคนนี่ยังไม่ยอมวางก็ไม่จะยอมให้ใครแล้ว คือให้เราวกลัวว่าขอแก่เท่าหรือไม่สบายจะลําบากทนทุกคนก็ต้องเก็บเอาไว้เต็มที่ก่อนออ่ะประเด็นนี้ขยายความประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นสําคัญสําคัญตรงไหนมันต้องมีวัตถุของกูถ้าไม่มีวัตถุของกูไม่มีอํานาจหรือไม่มีวัตถุไว้เลี่ยงตนไว้บำเรเลอรชีวิตหรือไว้อาศัยในชีวิตแต่วิธีการของพระเจ้าระบบของพระเจ้านั้น สร้างจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณมายึดเป็นตัวเป็นตนเพื่อเฟื่องฟือจานแบ่งปันเพื่อคูนกันแบ่งปันกันจริงๆเป็นจิตวิญญาณตัวจริงเลยเพื่อคูนการแบ่งแจกกันกินกันใช้ไปจนตายตายแล้วทั้งนี้ก็ บ, บริหารต่อไม่ต้องไปยกบอกบอกไปค้องตัวของตนเป็นต้องเขียนที่ในกรรมมรดอกอะไรไม่ต้องเป็นข้อส่วนกลาตงตกทอดไป เป็นระบบที่เราทำได้ของพระเจ้านี่คือระบบสาธารณภคีเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วอาตมาเห็นผลว่ามันจริงและมันดีมากเลยเราไม่ต้องไปห่วงหาอาวรววา น, วานี่เป็นของเราคนจะมาแย่งคนจะมาจริงต้องคอ ย, ยโอ้โหประกอบปอกลัวจะพระ่องกลัวจะไม่เหลือกลัวจะหมดก่อนตายอะไรต่างๆนาน า, นา ไม่ต้องห่วงปานนั้นทุกคนพึ่งพากันทุกคนขยันมันเพียรทุกคนสร้างคนให้เป็นคนประเสริฐคนเจริญเกื้อกูลกันจริงไม่ห่วงไม่แหนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลี้ยงดูกันจริงอและก็ขยันมันเพียรสร้างสรรค์กันจริงไม่เห็นแก่ตัวไม่กินแรงใครไม่เบียดเบียนใครกันจริงนี่แหละเป็นคุณลักษณะมนุษย์ประเสริฐที่พระเจ้าท่าน สามารถสร้างจริงได้ให้คนเป็นคนชนนี้ได้แล้วก็เกิดระบบสาธารณภพคีอย่างที่อสโศเราทำได้นี้เพราะฉะนั้นเราจรึงไม่จําเป็นจะต้องห่วงจำเป็นจะต้องมานั่งเขียนขึ้ในกรรมจําเป็นที่จะต้องมาอะไรต่งางๆที่คนเขา ท, ทั้งโลกเขาห่วงหาอาวามเป็นกังวลเป็นอะไรไปหมดเขาก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่มีระบบที่จริงที่เกิดจากจิตจริง จิตที่บรรลุธรรมจริงจิตที่มีคุณสมบัติที่แท้เป็นอารย์อารยธรรมที่แท้ที่เป็นคุณสมบัติเป็นคุณลักษณะเป็นคุณวิเศษต้องเรียกว่าคุณสมบัติอันนี้เป็นลักษณะถึงขั้นคุณวิเศษเรียกว่าอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมะขั้นอุตตริเหนือมนุษย์สามัญที่จะเป็นได้อุตตริในแปลว่าเหนือเหนือความเป็นมนุษย์สามัญทั่วไปจะเป็นได้เป็นคุณสมบัติ อันพิเศษเป็นคุณธรรมก็คุณเป็นธรรมะเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่พิเศษกว่าสามัญมนุษย์จริงๆมันเป็นจริงเลยพูดมาถึงตรง น, นี้แล้วอาตรมาก็อยากจะให้ไม่ใช่อยากจะให้เราอยากจะถามพวกเรา <c oughs> ูว่าคุณเชื่อว่าไอ้ความจริงข้อนี้เนี่ยสาธารณรัฐโปรกีบทนี้ในชาวโซรเราเนี่ยคุณเชื่อว่ามันจะยู่นานไหมนาน คุณเชื่ออะไรเป็นเครื่องยืนยันคุณนะเออเข้าท่าตัวเองเราเองเราก็มั่นใจว่าโอ้เราไม่แย่งหรอกเราตายล้วก็ไม่มานั่งทำพินัยกรรมแล้วก็มานั่งชี้บ่งอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเราจะรู้ว่าจิตใจเราหวงแหนเป็นสมบัติของเราหรือว่าเป็นขอส่วนกลางและเราก็แบ่งกินแบ่งใช้กันในนี้แหละนะเราไม่หวงไม่แหนไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปยึดว่า เอาไปให้คนนะั้นไม่ไม่ไม่เอา้าไม่เบงไม่อะไรแต่แต่ต่างๆนานาเพราะนตัวเองเนี่จะมีความเข้าใจใจตนเองเข้าใจในจิตใจตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในจิตใจตนเองว่าเป็นเช่นนี้แนะ่กิเลสไ ม, ไม่ไม่กลับกำเริบกิเลสมันจะกลับแม้ตอนนี้มันดูมันมันให้นะมันมันยึดต่อไปในอนาคตจะกลับบังกำเริบอีกคุณก็ต้อง จะเชื่อตัวเองหรือไม่เชื่อตัวเองแต่ละคนก็จะต้องมั่นใจตัวเองและก็รู้ของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าผอกว่าเราเชื่อตนเองและมั่นใจในตนเองก็นั่นแหละเป็นความจริงที่มันเป็นจริงที่ว่าตนเองเป็นจริงเมื่อเป็นอย่างนี้ในหมู่กลุ่มคนที่รวมตัวกันมีกี่คนร้อยคนพันคนมันก็เป็นแกนของสังคมนี้ โดยมีระบบนี้จะเรียกว่าวัฒนธรรมจะเรียกว่าะจาริประเพณีจะเรียกว่าวิธีการดำเนินชีวิตอะไรก็ได้จะมีภาษาสวยๆกว่านี้ภาษาวิชาการมีไหม ย, ยิ่งกว่านี้ก็เรียกไปนี่แหละมันมั น, มนระบบภาษานี้ก็เป็นภาษาวิชาการระบบมันมันระบบระบบแบบนี้อ่า เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่เป็นเรื่องของความไม่ไม่ต้องยึดเป็นตัวตนและไม่ต้องยึดเป็นตัวตนแล้วเราก็มีความเที่ยงอยู่ในตรงนี้มองเห็นความเที่ยงไหมมองเห็นความเที่ยงไหมคือความมั่นใจความเห็นว่าอ ย, อย่างนี้เนี่ย ถ้าเราเองเรามั่นใจว่าเราไม่กลับกรอกเราไม่กลับกำเริบที่อธิบายแล้วเมื่อกี้นี้แล้วมันมีจริงคนจริงคนอื่นเขาจะเป็นจริงได้เราเป็นคนนั้นคนหนึ่งหมู่ลุมมลร้อยคนพันคนเมื่อกี้พูดไปแล้วมันก็เป็นลักษณะของความเที่ยงแท้เป็นความมั่นคงความยั่งยืนของอันนี้ไประบบนี้โลกต้องการคุณลักษณะอันนี้ของคนวิธีบริหารสังคมวิธีที่จะมีระบบมาบริหารสังคม ตั้งแต่ประชาธิปไตยเขาก็จะบริหารวัตถุนี่อาตมาเริ่มที่วัตถุเท่านั้นนะยังไม่ได้เข้าถึงปรมัตตัวที่มันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงจึงเป็นลักษณะถึงถึงขั้ น, น ส, สุดยอดจะเป็นสัจจะย้อนสภาพคิดว่าเวลาสองชั่วโมงคงจะอธิบายได้ถึงจริงเห็นได้ว่าตอนทีพ <c oughs> พ่พ่อครูถามว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยคําตอบตรงนี้มันคงจะต้องเกิดจากตัวเราด้วย ก็อยู่ๆไปเราจะอดตายเนียเนี่ยแต่ถ้าแต่ว่ามันเป็นทิศทางที่อย่างที่พวกครูบอกว่าถึงเหล่นี้จะเป็นคําตอบได้ก็เพราะว่ามันเกิดจากความไม่ยึดซึ่งตัวตนแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของเราเราเอย่างนี้ต้องมีอย่างงี้เป็นส่วนตัวนะมีนั่นเป็นส่วนตัวนะมีบ้านเป็นส่วนตัวนะมีรถเดินเปนส่วนตัวนะเราก็เราก็ไม่ได้เหมือนกันสาธารณโภคีแต่เพื่อเมื่อเราไม่ได้มากําหนด ว่าตัวตวนเราต้องมีรถทักคันหนึ่งมีบ้านทักหลังหนึ่งมีเครื่องมืยความสะดวกอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนี่ยยิ่งเหล่านี้เราก็เห็นนะว่าเราอยู่แล้วเราก็สบายขึ้นเราก็รู้สึกไว้ความสบายอย่างนี้ความสบายอย่างนี้มันมันดีกว่ายิ่งเราไม่ไม่เอาไม่ได้ยึดอะไรเลยจนทุกวันนี้พวกเราก็แทบจะเรียกว่าถ้าจะแยกไม่ออกว่าอยู่ปฐมอยู่สันติและอยู่ทีศะแล้วไปอยู่ตรงไหนเราก็ทํางานได้ทุกที่อะไรอย่างนี้มีที่พักมีทีพักมีทีพัก แล้วนี้ไ ป, ไปทะเลแล้วเดี๋ยวก็จะค่ะเดี no ๋ยวก็จะไปที่ภูเขาภูเขาอีกอะไรนี่ก็มีเรื่องได้หลายที่เงี้นพอพอเราไม่ได้ยึดอรลบามองแต่ก่อนเนี่ยเคยเห็นพ่อค้าเขาขายของในร้านเนี่ยมันเหมือนคนที่เขาอยู่ในรูแล้วก็ออกจากรูตรงนี้ไม่ได้มันคืนก็เหมือนคนรูที่อยู่ในรูนี้่นะแต่พอเราได้ยึดต้องช่องตรงนี้ร้านตรงนี้เนี่ยชีวิตเรามันก็เหมือนกับเป็นนกที่โผผินไปได้ทุกที่ แล้วก็มีอาหารมีความรมสมบูรณ์อยู่เพียบพร้อมเพราะอยู่ในทั้งคมที่มีการผลิตมีการทั้งตันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นความนิเศถของคาราพาจีที่พ่อครูพยาามอธิบายให้เราฟังมีเหตุปัจจัยนะที่ผูกก้เมกินี่มีเหตุปัจจัยว่าคนเป็นเป็นคนดีคนมีคุณภาพมันเป็นได้เพราะว่านอกจากไม่ยึดเป็นราเป็นของเราแล้วมันก็เป็นคนขยันมันเพียนไม่ดูดายนะเป็นคนขยันจริงๆเป็น เป็นพลังวิริยะพลังสีที่มันขยันมันก็ขยันอย่างมีปัญญามันรู้ว่าเอาจะไปขยักไปคิดเกลียดทำไมเราคิ้เกลียดมันไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยขยันมันก็ดีกว่าแรงงานเราก็มีความสามารถเราก็มีความรู้เราก็มีเราก็ทำขึ้นมาน แต่ก่อนนี้เราอยู่กับสังคมเขาเราก็ติดว่าได้ต้องได้่าแรงงานต้องได้สิ่งแรกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเอาสิ่งแรกเปลี่ยนและเราก็ทํางานอันนี้มันก็เกิดเป็นผลมาก็ร่วมกินร่วมใช้คุณภาพอีกอันหนึ่งคุณสมบัติที่ดีประเสริฐของคนอีกอันหนึ่งก็คือตัวเองมันหยุดตัวเองมันพอมันพอเอามาเป็นของตนมันก็พอมันน้อยๆก็พออะไรหรือไม่มีเลยมันแค่อาศัยเป็นปัจจัยสี่พออย่างนี้เป็นตัวนี้เป็นที่สุดละ ถึงที่สุดก็มีแต่แค่ปัจจัยสี่ไม่ต้องมากอะไรเลยนะขอพระพุทธเจ้าท่านโอ้ยน้อยจนกระทั่งยากแต่ทังขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรมากกว่านั้นหน่อยเช่นว่าเสื้อผ้านาแพร่จะต้องใช้ของรพระพุทธเจ้าผ้าสามผืนชุดเดียวนะถ้ามีสองผืนอะไรแตโอ้โหวินัยว่ากันไปเยอะเนี่ยนะจะต้องมีการวิกัพจะต้องมีการอะไอะไนี้ไม่งั้นจะถือเป็นอัมบัตอะไรโอ้ยเยอะมันก็เป็เงินเสียมากเลยนะ ผ้าสาบผืนนะแล้วก็ที่อยู่ไม่มีของตนเองนะเงินทองเก้าของไม่มีแน่นอนนะอาหารก็อาศัยิัฐบ า, าลเลี้ยงปีแคร่งมาให้สะสมข้าวสักเม็ดหนึ่งข้ามสะสมเป็นของตนข้ามคืนก็ไม่ได้นะอบัตนะอาหารการกินที่จะเนี่ยคนจะสมของเราไว้ข้ามคืนไว้เก็บหมกไว้นี่ผมกล่าวว่กินพวงนี้ไม่ได้นะอบัตนะพระนี่ยทิกสูน่ะ ใน <ะ S 1> จุลศิลป์้ามนะข้ามสะสมน้ำหรือข้าสะสมก็ใช่้ามสะ ส, สมน้ําสะสมข้าวนะ <c oughs> คือละเอียดแล้วก็เป็นตัวอย่างมันยิ่งยอดแล้วท่านก็ไม่ได้ทุกอะไรไม่ทุกจริงจริงแต่ที่นี้มาถึงวันนี้แล้วพวกเราเนี่ยเป็นคารวาสก็ยังมาใช้ใจสีเสื้อผ้าหลายคนมันใจมันพอมันสันโดษจริงๆมันพอใช้จริงๆมีมากกว่า น, นั้นแหละเพราะว่ามันไม่ติดไม่ยึดจริงจรง เสื้อผ้าใส่เพื่อกันร้อนกันหนาวกันมาแสงแรงสัตว์กัดต่อยกันอุจจาร์ก็พอและโมองมันขาดก็ปะเอามั่งชุนเอามั่งหรือว่ามันมีอะไรก็เอาก็เปลี่ยนรอยนิดหนึ่งก็สองสามชุดสี่ชุดห้าชุดไม่ต้องหนักต้องน้ําไม่ต้องมากต้องไม้พอผัดพอเปลี่ยนพะซักพอหมุนเวียนไม่หนักไม่น้ําไม่เปลือกจิตใจที่มันมีสันติที่ทำจิตที่มันพอจริงๆเนี่ยแล้วมันก็ไม่ต้องมากอภิชฌามันก็มีนะ จิตมันมากน้อยมันก็น้อยมันก็แค่นี้พอจริงๆนี่เป็นคุณสมบัติอันจริงที่เป็นของมนุษย์นะและเราก็ขยันอย่างที่พูดไปก่อนเราก็สร้างสรรสมรรถนะเรามีความรู้เรามีเ ว, เวลามีงานเรามีงานเราทํากันไม่เคยทําทําไม่เคยพอเลยงานตกคนนะแล้วก็ช่วยกันทําไปสร้างไปแล้วคนมีคุณสมบัติอันนี้จริง มันมีจริงนะมันเป็นการสร้างมนุษย์ประเสริฐทิศธนีพระเจ้าศึกษาแล้วจิตใจมันเป็นนิยมันไม่ต้องขึ้นตระลาบยศเสรินทาไม่มีราบเราไม่ทํำเราไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเราแม้แต่ต้องทําแล้วจะได้การสรรเสริญเดินยอยกย่องจึงจะทําไม่ยกไม่ย่องดีไม่ดีบรรดามกดมขี่มาว่าไม่ทําแล้วไม่มีไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้คือแม้มันจะมีการ อย่าว่าจะได้ล่าโดยมีการตำหนิถูกตำหนิติดเตียนถูกบุญธรรมผิดพลาดใน่อบกก่องแล้วก็โดนว่าโดนด่าก็เข้าใจเออเขาด่าเขาว่ามันเสียของจริงๆมันผิดจริงๆก็ดีแล้วก็เตือนให้เราจะโยนขึ้นแก้ไขปรับปรุงที่มันเสียน่ะมันผิดน่ะเ้าก็ยอมรับหรือแม้เขาจะด่าเราผิดเขาจะพูดเราผิดเขาว่าเราผิดที่จริงมันไม่ได้ผิดเราแต่เขาไม่เข้าใจอ้าวเราก็รู้ว่าเขาว่าเรานี่มันผิดจริงๆเราไม่ได้ผิดนะคุณนั่นแหละเข้าใจไม่พอ เข้าใจไม่ถูกต้องที่จริงมันถูกแล้วแต่คุณก็ณจะผิดว่ามันผิดคุณจะผิดว่ามันไป็นผิดที่จริงมันถูกแล้วก็ความไม่เข้าใจของคุณเป็นความบกพร่องของคุณจะจชัดๆก็คือคุณยังโ ง, ง่คุณยังไม่รู้ความจริงเพียงพออ่ก็ไม่จะจะไปถือสาอะไรนะอย่างอาตมาเนี่ยนะคนก็ว่าอาตมาผิดว่าอย่างงน่นอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่เขาว่าเนี่ยประจําอยู่ตัวนี้เขาเขา เขาเค่อยมั่นใจอยุงเขาเว่าอาตมาเนี่เป็นคนโง่ใช่ไหมเขาก็กํากับมาตลอดเวลาเรื่อโ ง, ง่แต่ตอนนี้บอกว่าโง่บัตรซบเดี๋ยวนี้รถออกมาว่าโง่โง่ไม่สุดเจ็ดง่อะไรต่างๆนานาเขาก็ตอาตมานี่โ ง, ง่คนโง่อย่างพอทรองเงี้ยตลอดเวลาใช่ไหมจริงๆอาตมาว่าอาตมาไม่ได้โง่ขนาดที่เขว่าหรออัตนาพอฉลาดอยู่บ้างอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่ฉลาดเฉลียวยิ่งใหญ่อะไรอะตมาว่าไม่ได้งงขนาดที่เขาว่านะหลายอย่างที่อะตมาว่าเขาเขาว่าเราอะตมาโง่อะตมาอะตมาไม่ได้โง่ดังเขาว่าหรอกอะตมาจะไม่ไม่อยากเถียงไม่อยากแก้กลับไม่อยากอะไรเขาว่าไปเขาว่ามันผิดเขาว่าอย่างงี้จริงๆก็พูดไม่ถูกอะตมาขอปล่อยให้เขาโง่ปล่อยให้ก็าเป็นผู้ผิดเขากล่าวมาผิดตูอะตมานะผมไม่เชื่อว่าเขาจะเขาจะเชื่อว่าพระองค์โง่อย่างกันจริงๆ ทั้งนั้นเขาก็เป็นคนพูดตลกตะแหลเป็นคนขออภยัยต้องใจสับจะจัดก็ ค, คนต่อแหลถึงงนะั้นน่ะก็พูดสิ่งอื่นเขารู้เธอรู้เลยว่าอาตมาไม่ได้เป็นอยนะ่างงั้นแล้วเข า, าก็พูดว่าอาตมาเป็นก็คนตอแหลธรรมดาอย่านะี้น่ะก็เป็นอยนะ่างงั้นเลยทีนี่คุณนะับไปว่าเขาตอแหล่เพราะฉะนั้นคุณเป็นนะ <c oughs> คนพูดนะพู้นี้ผมพูดภาษาออกมาตอนนี้ในะ แต่ความหมายมันคืออันนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าคิดถึงนะครับว่าถ้าเขากําหนดหมายว่าพ่อครูเนี่ยโง่บัดซบโง่ไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะไปพูดทําไมกับคนที่โง่บัดซบโง่ดักดานอะไรเงี้ยนะครับคือพูดไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องอืมแต่พยายามหาโต้แยงหาคอนตลอดเวลาเลยเนี่ยก็แสดงว่าแล้วโต้แยงแล้วบางทีแก้กว่แก้ได้เสียด้วยเนอะครับบางทีแก้ได้เขาก็ ก<ม><น>ตอมาแก้จนหายหน้าไปพักหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาอย<ด>ู่ดีเอ้าต่อเพราะในความหมายของพระพุทธเจ้านี้นอกจากว่าเราจะไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วเราจะเป็นคนมีคุณสมบัติมีคุณค่ามีคุณประโยชน์มีคุณสมบัติที่ดีขยันมันเพียนสร้างสรรค์และก็ไม่ได้เอามาเป็นของเราไม่แหละไม่เปลี่ยนอะไรอีกนั่นคนมีคุณสมบัติอย่างนี้รวมตัวกันอยู่ยังมีอีกนอกจาก ไม่ยึดเป็นตัวตนมีขยันความขยันมันเพียมีความรู้ความสามารถแล้วมันเป็นคนกินน้อยใช้น้อยไม่เปลืองไม่ปรานแต่เป็นคนสร้างสรร์เกินที่ตัวกินตัวใช้พึ่งจนรอดแล้วทำงานในคิดสิ่งที่ราคาค่าที่ตัวเองกินกินใช้แล้วเนี่ยมันเกินที่ตัวกินตัวใช้เกินแล้วก็ไม่ยึดมาเป็นของตนเอง เกินแล้วก็เอาไว้กองกลางแล้วก็มีผู้บริหารกองกลางเพื่อแผ่คนที่ไม่ค่อยพอทำไม่พอกินพอใจตัวเองเช่นเด็กคนแก่คนป่วยคนพิการคนไรสมัทนะไ้สมถนะัสมถภาพห้าคนยังมีแฝงอยู่อีกสองคน ไอ้จอมขิดเกียรตกับไอ้จอมคิดโกงที่แฝงอยู so, ่ในโกงนี่กงน้อยก็แล้วแต่มันก็ต้องให้เขามันก็ต้องเผื่อไว้เพราะพวกนี้มันมีจริงมันแฝงอยู่ก็ต้องเขาต้องเอาหัะเขาต้องมีก็ต้องมีทั้งโกงทั้งโกงทั้งคีดเกียรอะไรพวกนี้มันก็มันก็ต้องใช้มันต้องผามันต้องเป็นอยู่ในตัวแต่พวกเราน้อยละคนคิดเกียรตกับคนคีดโกงน้อยในหมู่พวกเราน้อยจน ถือว่าหายากก็ได้แทบไม่มีเพราะฉะคนเราก็มีแต่อย่างนี้ส่วนเหลือส่วนเกินของส่วนสุดมากของคนชาวอโศกจึงมีส่วนเหลือส่วนเกินที่เฉลี่ยแล้วพอเพราะทุกวันนี้เนี่ยชาวอโศกเราจึงมีสิ่งที่เป็นผลผลิตหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ น, นี้ออกไปสู่สังคมได้ ที่ชัดที่สุดก็คือแรงงานที่มาทำสื่อสารออกไปสู่สังคมขนาดทุกวันชัดๆนี่ต้องใช้แรงงานคนใช้ความสามารถใช้ความอุตสาหะและเขาก็ต้องกินต้องใช้ก็กินก็ใช้ของในส่วนกลางเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้เอาอะไรส่วนนั้นก็คือคุณค่าของเข้าที่เขาทำาให้แก่สังคมออกไปให้แก่สังคมได้ หรือแม้แต่คนทํางานฟรีในอีกหลายหลอย่างในพวกเราไม่ใช่สื่อสารตอนนั้นสื่อสารนี่มันอัตมายกตัวอย่างเพราะมันเห็นสภาพอยู่ตอนนี้ต่อนหน้าหลัดหลัดใช่ไหมอื่นๆก็เหมือนกันพวกเราทํางานอยู่ข้างในนี้ทั้งนั้นไม่ได้เอาอะไรแลกเปลี่ยนเป็นผลผลิตที่เป็นผลผลิตก็ตามไม่ใช่ผลผลิตทันทีแต่ก็เป็นงานที่ซับซ้อนอยู่ในนี้เยอะแย ะ, ะไม่รู้กี่หน้าที่ที่เราทํากันที่เป็นงานอันสุจริตอันควรทําอยู่ในสังคมกลุม่ม ไม่ต้องเอาอะไรละแม่แต่จะเช็ดส้วมขัดบ้านขัดเรือนกวาดเช็ดถูทําความสะอาดซ่อมนั่นทนํานี่อะไรอยู่ต่างๆนานาอยู่ในนี่อะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็เป็นแรงงานมันก็เป็นคุณค่ามันก็เป็นประโยชน์ของมนุษย์ชาติที่จงอาศัยนะเป็นครูเป็นผู้ดูแลสั่งสอนเลียนนเ้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้ดูแลคนนี้นี่คอดูแลคนแก่คอยดูแลคนคอดูแ ล, ดแลเด็กดูแล เอาเรื่อนี้อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ในเรื่องเอกสารสื่อสารต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆนา น, ๆนานๆอีกเยอะแยะเดี๋ยวนี้งานมันเยอะสมัยนี้มันเยอะเราก็รู้ว่านี่เป็นงานสุจริงานที่จะต้องทำในสังคมของยิ่งสังคมกลุ่มและยุคนี้มันต้องทาก็ทำกันไปนะทาฟรนะีไม่ได้เอาอะไรได้เปลี่ยนและเราก็อยู่ยังจุดสาคัญก็คือ คุณสุขจริงไหมที่คุณไม่ต้องได้สิ่งแรกเปลี่ยนนั่นมาคุณสุขจริงไหมที่คุณไม่ต้องได้สิ่งแปลกเปลี่ยนนั่นมาถ้าคุณสุขจริงๆในใจของคุณมันสบาและสงบมันไม่เหนือรอ้อนไม่ต้องมันดิ้นรนที่จะต้องอยากได้อะไรตอบแทนมาอีกจริงๆเลยคำตอบของเจ้าตัวแต่ละคนไม่มีใครไปตอบแทนใครได้นี่คือสุขสงบ ถูกสงบคือสงบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความอยากมาเพื่อตนของตนอีกแล้วก็วคือกิเลสหรือตัณหานั่นเองนี่คือสงบสงบไม่ใช่อยู่เงียบเงี่ยบไม่กระดุกกระดิกสงบคือลมไม่พัดเสียงไม่มีดีไม่ดีมืด ต, ต, ตื่นสงบเงียบดีนอนหนันนกก็ไปน่นเลย ไอ้อย่างนั้นนะมันก็ความสงบที่เรียกโรคๆอย่างหนึ่งความหมายอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องของปรมาธิไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เป็นความจริงอันสูงสุดเลยว่าปรมาธิเพราะความจริงอันสูงสุดปรมาธิความสงบนั่นคือจิตมันหยุดทําการอย่างแท้จริงในจิตอ น, นุสนะหรือจิตกิเลสปัญหาพวกนี้มันหยุดทําการมันหยุดบทบาทมันไม่มีในจิตใจนะเด็กมันไม่มีในจิตใจจริงๆ แม้จะมีเหตุปัจจัยที่แต่ก่อนถ้าได้สัมผัสถูกกระทบกระเทือนกระทุง้งกระแทกขึ้นมายั่วยวนึ้นมามันเกิดกิเลนั้นมันเกิดแต่ณบัดนี้มันตายสนิทอสัติกุบ ป, ปังไม่กลับกําเริบอีกแล้วอสัศวัตรั ง, งจะกระทุง้งกระแทกจะยัวะย่วยวนจะปลุกจะเล่ายังไงไม่กลับทําไม่ทําลายไม่ได้ จุดที่สงบสนิทแล้วนี่ทำลายไม่ได้อสังหิรไม่แปลเปลี่ยนอวิปรินามธรรมมังสัจตังไปได้เรือร่อยๆยาวนานยาวนานทุวังยั่งยืนมั่นคงยั่งยืนนิจังเที่ยงแท้พูดถึงความไม่เที่ยงไม่แท้มาจนกระทั่งมามาถึงตรงนี้ มาถึงคําว่านี่คือคุณสมบัติอันวิเศษของผู้สงบแล้วจิตเที่ยงแท้นิจจังนิจจงทุวังสัตตังอวิปริณามะธรรมงอสังหิรังอสังกุ ป, ปังนี่แหละเน่้อธรมาไม่ได้มันบัญญัติเองนะคําเหล่านี้ของคำที่พระเจ้ตาตรัสไว้ในพระเต็มดอกธรรมารวบรวมมาได้เท่านี้แหละใครได้มากกว่านี้ก็เอามานี่มีเขามีแถมนัตถิอุปมาไอ้นัตถิอุปมาคือว่ามัน เปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้มันปริบมันจะวัดอะไรไปเปรียบกับอะไรอะไรมันไม่เปรียบไม่ไม่ค่อยกระลงหรอกมันเป็นความไม่มีที่ยังมีมีอะไรมีความสุขสงบมีความมีคุณค่ายังมีชีวิตยังไม่ปรินิพานสูงสุดยังไม่เป็นปรโยสารยังไม่หมดรูปนามขันห้าอย่างไม่มีอะไรต่ออีกในว่า หลังจากการตายคราวนี้กายสัพเพทาปรมรณาตายอย่างกายแตกตายแล้วปรมามรณามาคำว่าหลังจากการตายนี้แล้วอัปปนิหิตตังไม่มีการตั้งจิตต่อไม่มีการตั้งปรารถนาต่อสันตติขาดจิตวิญ ญ, ญาณปริโยสารจบไ อ, อย้ยางนั่ง แ, แล้วไปจบไม่มีอะไรเหลืออีกเลยดังที่พระพุทธจ้าตรัสเอาไว้ใน ก็จะเป็นดอเล่มก้าวในพรมจารัสุปริเทศสุดท้ายชาววิ้าว่าตถาคตสิ้นไปแล้วจากร่างกายที่ตายข้าวสารจะไม่มีใครเห็นอีกทั้งรูปลเลนนามเมื่อพพลมะ ม, ม่วงจะถูกตัดลอมาและแต่กระจายทุกอย่างไม่มีการรวมเปิดพวมนั้นได้อีกเลิกความรวมแียไม่มีสังขารอะไรต่ออีกสังขารคือการรวมกันปันตุงแต่ง หรือเป็นสิ่งที่กายโยเป็นสิ่งที่ประชุมกันรวมกันอยู่กายแกจะมาขยายความอยู่นานตอนนี้วันนี้ว่างหน่อยมันจะรำคาญหูเกินไปไมันจะกายกายกายมางไม่รู้กี่งวดกี่วันแล้ววันนี้เลยว่ามาเอาอันนี้หน่อยที่เจะก็เตรียมมาเหมือนกันนะเราจะคู่ต้องกลแต่ว่าเอานะท่านขึ้นอันนี้แล้วเอานี้ดีกว่าเอาเรื่องเที่ยงไม่เที่ยงนี่ดีกว่า พราะพออธิบายมาแล้วนี่คือความไม่เที่ยงของสามัญของทั่วไปนั้นจะเรียนรู้เข้าใจแต่คุณถึงไม่เที่ยงคุณก็ ย, ยังยึดอยู่ยังไม่ได้คลายเลยเข้าใจจริงๆก็ไม่ ย, ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายหรอกเพราะบางคนก็ยึดนตอนเนี้ยยังไงข้าก็ขอยิดจนกว่าจะตายเนีเขาแบกก็หาไม่ก่อนกว่าจะตายไม่ขอพร้องไม่ขอพร่อง ทรัพย์สินขานอะไก็ไม่ขอพร่อตายแล้วไม่ให้ใครจะกลัวคนจะแย่งกันกเขียนพี่ในกรรมอาไว้เจอใคแจกใครก็เอาคนที่ททคิดว่าควรจะให้แจกก็เขียนไว้อธิมายถึงถือว่าพี่ในกรรมนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณทานคุณไม่ได้ให้แต่คุณสุดทางและจำนวนคุณไม่เขียนข้าเอาไหม คุณไม่เค้นคุณมาเอาคืนได้ไหมก็ไม่ได้คุณต้องทิ้งมันจริงๆคุณไม่เ ค, ค้นคุณก็ต้องทิ้งมันจริงๆคุณกลับมาเอาคืนดีไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้นมันไม่ได้เป็นทานมันจํานวนว่ามันต้องจากแล้วเพราะตายจากเพนสุดทางแล้วตายจากอ่ก็เลยเตะท่าว่านี่ของฉันนะฉันให้คนนั้นฉันให้คนนี้ฉันนี้นะเตะท่าไป ก็ดีอยู่อย่างนึงเขาก็มันก็เรียบร้อยดีมันไม่แย่งกันแต่กฎหมายเขาก็มีอะไรรลกักการเขกมีสุดท้ายก็จัดสันกันกันได้แหละเดินอของเรื่องมันก็มีหลักเกณฑ์ของสังคมอยู่ <c oughs> เพราะงั้นถ้าเผิดว่าผูดด้ใดเข้าใจแล้วว่าจริงๆมันไม่เที่ยงหรอกอะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เราของเราเราถ้าเราละตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราทุกอย่างมันก็อาศัยใช้สอยและเราก็ทําตัวของเราให้ อาศัยใช้สอยอยางอภิชฌ์อย่างน้อยไม่ต้องไปเปลืองไปพลานไป ม, มากไปหมายอะไรแค่นี้ก็ฉันโหลดฉันตุถีฉันตุติพ่อแค่นี้ก็พอกินตอนนี้ใช้ตอนนี้มีตอนนี้ถึงแม้มีอย่างแบบมีคอมพิวเตอร์ใช้ อ, อย่างท่านเดินดิงมีคอมพิวเตอร์ใช้ไอ้คอมพิวเตอร์นี่ท่านใช้ไว้แล้วก็ทํางานนี่แล้ก็ส่งงานไปนี่ได้ค่าตอบแทนงานยังไง รายได้เดือนหนึ่งจาะเป็นเงินเป็นยศเป็นสันเสริญเป็นอะไรทั็นโลกกระทำหรือเป็นกามคงเหลือวรลบาทนะครับวัลบาทบินตบานได้ปีแค่เดินบินตาบานได้รีแค่แล้วก็มีทําให้เขาเป็นเครื่องอุปการะเป็นเครื่องช่วยเครื่องมือที่จะทําได้ดีได้เร็วได้ประสิทธิภาพสูงเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อเป็นเครื่องมือที่เราจะเอาไว้อาศัยทําเพื่อ กอบโกยอะไรมาให้เราหรือทำํำพืชเสพมีไว้สําหรับเล่นเกมมีไว้สําหรับเสพโดูดูนั้นดูนี่อย่างนี้เพลินมันพวกชัดมั่งพวกอะไรตัวไหนมั่งทุกวันเนี่ยวูอยู่กับไอเนี่ยทั้งวันไอในกิเลนเนีไม่ได้ทําประโยชน์ไม่ได้สร้างสารร์ประโยชน์อะไรนะถ้ามีไว้เพื่อทํางานเพื่อคนอื่นจริ ง, รงๆอย่างงี้มันก็ไม่ได้มีตัวเราของเราอะไรอันนี้ไม่ใช่ของเรามีเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อทํางานได้ดีได้มากได้ ปจิติภาพสูงทำประโยชน์ให้คนอื่นเขาไปต่อต่อต่อต่อถ้ามันมีรายละเอียดของความจริงนมันมีรายละเอียดของความจริงอยู่ในนี้ตังเยอะตั้งแยะคนตื้อๆก็บอกโอ้โหพวกนี้เนี่ยว่ามักน้อสันโดดมีไ a d พดพกจมีคอมพิวเตอร์คนละเครื่องๆครื่องโอ้โหนี่รุ่นลาสุดเลยนะเนี่ยราคาสูงส่งเลยนะเนี่ยอะไรว่าไปก็เพลงอะไรอะไร ไปต่างๆนาน า, นาสารพัดได้แต่โดยความจริงนี่คนที่เขามีเครื่องมือใช้อันนี้ต่างๆน า, นานาเขามีไว้เพื่อที่จะมีอะไรมาเป็นตัวตนของตนหรือไม่นี่เป็นสัจจะที่ต้องจริง <Yeah. S 1> ถ้าคุณมีเพื่อที่จะเอาไว้เป็นเครื่องมือในการที่จะได้อะไรตอบแทนมาม า, มากกเก่าล่าให้มามีตตนของตนมากขึ้นหรือเอาไวเ้เสพเสพรสเสพสุขจากความสนุกเพลิดเพลินจาก สิ่งอะไรก็ในนี้ก็ตามแต่ก็ เ, เป็นเรื่องกิเลสของคุณเป็นเรื่องตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็ไม่มีไม่ได้ติดยึดความอร่อยสนุกสนานจากฝึกนี้เดี๋ยวนี้มันมีหมดเลยเนี่ยโรงอบายมุกโรงหนั ง, งนโรงละครโรงขีมูกปลาขีมาข่มาแห้งหรือแม้แต่วิธีการเล่นสมัยใหม่เขาใส่เข้ามาในนี้แม้แต่ไอเฟสบุ๊กนี่ก็เล่น สนุกสนานโหมันนะตอบโต้ทำไปมันอร่อยอะไรต่างๆนานาสารพัดได้เทียงกันมั่งได้จีบกันมั่งได้อะไรกันเลยมันอร่อยไปเอาใช้มันเป็นประโยชน์ในทางที่จะสื่อสารอในการแจ้งในการว่าจะเป็นประโยชน์คลุ่มก้าแก่สังคมอาก็มีเหตุผลมันมีมีความจริงของมันอยู่ในตัวเหมือนกันนะเพราะงั้นในที่อาตมาอธิบายถึงเรื่องของ ไม่เที่ยงจนกระทั่งถึงเที่ยงในเรื่องของวัตถุในเรื่องของเข้าของแต่ตัว น, นี้ไปถึงความไม่เที่ยงอันเมื่อกี้นี้คือโอราโอราลิกาอัตตาของหยาบไปถึงขั้นไม่เที่ยงแล้วพบเขาไปไปถึงขั้นเที่ยงแล้วเพราะจะเที่ยงก็คือผู้นี้ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเลยการไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละเที่ยงแท้ไม่แปรเปลี่ยน สับสนไหมเห็นไหมลักษณะเพราะงั้นจะบอกว่าคุณสมบัติเที่ยงไปสอนกันว่าทุกอย่างไม่เ ท, ที่ยงเทียงนะสูงสุดนีนนิพพานนีนเที่ยงคือความ ส, สูงสุดของนิพพานเที่ยมของนิพพานนี่ว่าคืออะไรต้องไปจับให้ถูกสภาวะแล้วอธิบายให้ถูกความเที่ยงของนิพพานคืออะไรไม่ใช่ว่าเป็นพบเป็นชาติเป็นวิมานสวรรค์อะไรอะไรเที่ยม ตายแล้วอัตตาเราจะไปอยู่ตรงนั้นนี้ไม่ใช่เที่ยงในคุณสมบัติคุณธรรมเที่ยงในคุณธรรมคุณค่าเที่ยงจริงๆและสรุปเข้าเป้าแล้วก็คือความไม่มีตัวตนเที่ยงเขามไม่เป็นของตัวของตนเที่ยงคุณสมบัติอันวิเศษ น, นี่เที่ยงไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของตัวของตนนี้เที่ยง มันไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยมันโอ้โหตลอดกาลนานเลยสัตตังนี่คือเที่ยงแต่อะไรอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกอบางทีเราบอกเออในอันนี้มีสักร้อยไหมไม่ไม่ไมีร้อย ไ, ไม่ได้มีมีห้าสิบเองอะ่ะห้าสิบก็ห้าสิบอ่ ะ, 50, อะมันได้ตัวนี้ก็ทํามันได้แทนนี้มันสุดวิสัยแล้วนี่ก็ไม่ ติดใจอะไรมากมายมันไม่มีมันไม่มันได้ประโยชน์แค่นี้แหละเหตุปัจจัยมันมีเท่านี้เหลือเท่านี้ได้เท่านี้จริงๆแล้วก็ไม่ติดใจไม่ทุกไม่รอดไม่ดิ่นรนไม่เดือดร้อนอะไรถ้าค้นคว้าว่าเออมันไม่ดีนะทำามันไม่พอเนี่ยมันไปจะทําประโยชน์อะไรมันไม่มันไม่ไม่สําเร็จนะมันไม่ไม่ไม่พอนะก็ค้นขว้าอหน้อยพอสมควรคนขว้าแล้วสุดนิสัยก็แค่ได้ก็แค่นั้น มันไม่ได้ถ้าได้ก็ดีไปดังนี้เป็นต้นอาทีนี้มาเข้าถึงขั้นมโนโมยัตตา <c oughs> มโนมยัตตาคือตัวมโนหรือจิตใจจิตวิญญาณสำเร็จได้ใจสำเร็จอะไรเรากำลังพูดถึงความไม่เที่ยงกับเที่ยง มนโนมยัตาคือสิ่งที่เรายึดทางนามธรรมนามธรรมเช่นเราปั้นเป็นรูปเป็นวิมานไอ้รูปหรือวิมานคุณจะปั้นอย่างไรอย่างไรมันก็คือมันวิมานมันลอยลมมันไม่มีจริงหรอกแต่คุณเสรวิมานนั้นได้ คนที่มันยังมีความไม่ชัดเจนในกิเลสติดรมๆแรงๆตรงนี้เอาง่ายๆตายแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์ใครตอบอาตมาหน่อยทิสวรรค์มีอยู่ในตรงไหนที่ไหนมีจริงอย่างไรบ้างนีไหม มันไม่มีภพมันไม่มีแดนไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยสวรรค์แล้วทีนี้สวรรค์นี่ก็อยู่ในภูมิมธรรมคนด้วยสวรรค์อันหนึ่งคือเป็นโลกีจะต้องมีโอโหรื่นรมีม ส, สวนอันธวันมีอ่างน้ําตกภูเขามีบรรยากาศรื่นรมมีอะไรต่างๆนานามีของทิพยากกินอะไรก็ได้ อ, อยากไปไหนก็หอกลอยไปได้สบายมโนมยาตาฝันเอา เ, เองทั้งนั้นเลยเอาทีนี้มันจริงไหมจริงมีจริงเป็นวิมานลมๆแรงๆจริงถามอีกทีหนึ่งคุณเคยนอนฝันไหม แล้วฝันว่ามันสุกจริงเลยอย่างนี้อย่างนี้เคยไหมเมีนกันยังไงอย่างนั้นเลยแล้วคุณมีจริงคุณตายไปแล้วคุณอยู่ในภพของจิตวิญญาณคุณก็เหมือนคุณนอนหลับนั่นแหละขณะนี้เวลา1ทุ่มคุณเือนอย่างนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วมีจริงๆและสวรรค์นี่ไม่นาน อยากไว้นานก็ไม่นานเพราะมันมีวิบากวิบากอยากอยากที่ไม่เที่ยงความถึงความไม่เที่ยงแต่นี้วิบากบาป ค, คุณอยากนั่นอยากนี่คุณได้เสพอะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่ <c oughs> คุณเสพสุขด้วยรูปลกดินเฉียงสัมผัสนี่ก็ตาม ทีนี้ถ้ามันเป็นเสพอยากจะเสพวัตถุคุณก็ปั้นวัตถุปั้นวัตถุแม้มีเงินมีทองมีอันนู้นนี้ยิ่งก็อาบูฮัสันนะเหมือนกันเหมือนกัฝันไงเหมือนอบูฮัสันก็นอนฝันที่จริงแกก็ถูกอุปโลกเขาบอเป็น่คาการลิกใครไม่เคยฟังเรื่องอบูฮัสันมั้งโอ้เคย เป็นการหลีบเป็นพระเจ้าแผ่นดินการหลีบก็เลยให้อาบูเป็นเป็นพระเจ้าเผ่นดินแต่จะมาก็ชักเื่องดือนนานจาไม่ได้แล้วให้เป็นวันหนึ่งนรืไงนี่เเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วโอ้แกก็สนนสุขเป็นอะไรฝันนะเสร็จแล้วก็ถึงเวลาหมดตรงเอาเถอะอย่างนั้นก็เข้าใจยากเวลาคุณได้เสพสุขเนี่ยจุดคลยแม็กของความสุขเนี่ยมัน ไม่อยู่กับคุณไปนานไห ม, ไมไใช่ไหมแม้คุณกินอร่อยนี่เดี๋ยวอร่อยไม่ต้องอะไรคุณกินอยู่ต่อนี่มันก็ยังไม่ไม่ไหวแล้วมันไม่อร่อยแล้วมันมันเต็มแล้วพอแล้วเบื่อแล้วทนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องหรอกมันไม่เที่ยงหรอกแต่ความอยากของคุณที่ฝังไว้ในใจเป็นอุปทานนัะมีล้านเรื่อง แต่ความสุขที่ชั่วแวบที่อาตมาว่าเป็นสุขคลิกกะนี่นั้นไงมันแวบแค่เนี้ยทีนี้คุณคุณอยู่ปเป็นๆนี่คุณมีตาหูจม reminded, ูกลิ้นกายคุณก็วนเวียนสุข เ, เสพสุขเสพสุขทั้งตาเนได้อยากได้ทั้งตาได้อยากได้ทั้งหูได้อยากได้ทั้งจมูกได้อยากได้ทั้งลิ้นได้อยากได้ทั้งกายสัมผัสเสียดสีคุณก็ผัดเปลี่ยนมูนเหนื่อ ย, Driver, อ, ยอย่างในนี้เน่ย น, นับเรื่องไม่ถ้วน คุณก็ได้สุขทีนี้ตายไปไม่มีไม่มีมมตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีไม่มีมมนะเพราะฉะนั้นไอ้ความอยากนี่คุณก็จะไม่คุณไม่รู้นะเคุณตายคุณอยากอันนี้ขึ้นมา แล้วคุณก็ดิ้นมันไม่ได้เพราะคุณไม่มีตาหูจมูกลินกายจะต้องได้อันนี้ที่เป็นรูปทางตานี่เป็นเสียงอย่างนี้นี่เป็นกลิ่นอย่างนี้นี่เป็นรสทางลิ้นมานสัมผัสแต่ต้องอย่างนี้มันไม่มีนะการสัมผัสเสียดสีอย่างนี้มันก็ไม่มีนะคุณก็ดิ้นไปสิดิ้นไปคุณทุกอันนี้สุดท้ายคุณไม่ได้ก็ยังไม่เที่ยงอีกแหละสุดท้ายมันก็ต้องผับไป มันก็คนที่มันเสี่ยนสุดท้ายมันก็พับไปตื่นมามันก็เทวันนั่นแหละมันก็ไปอยากอันอื่นใช่ไหมคุณก็ไปอยากอันอื่นและไอความอยากบอกแล้วว่าคุณอุปทานเอาไว้นี่เท่าไหร่เพราะนั้นคนมาล้างอุปทานที่ติดจิตมนจะต้องเสพต้องบำเบลอตนพวกนี้นี่แหละล้ลางได้ล้างได้ล้างได้จึงไม่ไม่ต้องเสพไม่ต้องอยากอีก ตายไปแล้วแม้คุณตายไปแล้วเป็นน า, าคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตามแต่คุณยังตั้งภพภูมิที่จะมาทำประโยชน์ให้แก่โลกต่อคุณหมดแล้วสำหรับเสพตัวเองตัวเองจะเสพทั้งกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเสพใน อ, อราิยกัอป ต, ตาแม้แต่ที่สุดเอาพูดข้ามตัวปลายไปอรูปอัตตาที่เป็นเรื่องละเอียดเล็กๆนเ้น เ, น เ, น เ, นเนสียทุลีลอองที่จะต้องเก็บละเอียดมัน ลมหลมแรงแรงจริงๆคุณล้างได้หมดเอาแต่อนาคามีขึ้นไปก็ไม่มีปัญหาแล้วเรือได้รมแรงแรงอันนั้นแลคุณคุณไม่มเบียดเบียนใครหรอกคุณไม่หมดพบหมดชาติของอรูปประพบวันเลยคุณคุณแต่มันไม่ได้ไปทําลายใครละมันไม่เบียดเบียนใครแล้วคุณปั้นปั้นหลมหลมแรงแรงเหมือนฝันนี่แหละเศรษคุณก็ไม่ได้กระทบกระเทือนใครใช่ไหมไม่ได้ไม่เบียดเบียนใครแต่เป็นภาระของคุณเท่านั้นเอง กณก็ยังหลงหางช้างติดพวยกาของคุณไปเขาตามใจคุณเถอะเพราะงั้นถึงภูมิอนาคามีก็ไม่มีปัญหาแล้วคนอยู่ในโลกในสังคมนี้มีปัญหาเท่าไรนะแต่ถ้าใครที่ปักจณาสูงก็ทำมันสุดไปมันก็เป็นปัญหาอะไรเพราะคุณจะรู้เองว่าเอ้เราจะเหลือหางช้างติดปวยกาไว้ทำอะไรดีไม่ดีนะ หางช้างติดพยการบางทีหางบวมหางโตขึ้นโตขึ้นได้นันเนี้ยเอาจริง้งแต่สักบันหนึ่งก็ยังดีถ้านาคามีจริงนี่คุณก็ไม่ไม่เผลอผลที่จะต้องไปให้มันโอ้ยหามันก็ต่อไปจนกระทั่งมันถึงถึงก้นถึงตัวขางอกมัไหโตท้งคามมันไม่หรอก นั่นไม่หรอมันก็จะเข้าใจโดยปัญญาคุณเองนะคุณอยากล้างหนี่ไม่ล้างกัเรื่องของคุณนะสรุปมนโนมายาตาคุณก็ยังจะมีสิ่งที่สําเร็จด้วยจิตปั้นเศษแต่เสพสวรรค์น้อยแต่คุณจะตกนรกดิ้นรนเพื่อที่จะอยากมันอยากมีมากแต่ทวาที่คนจะเสษสุขนั้นจริงๆรหนึ่งสุขด้วยตาหูจมูกรินกายนี่แหละสดและอยาก ดักนาสาหัสตรงนี้ทีนี้คุณตายไปแล้วนะ่ยคุณไม่รู้หรอกยังไม่ได้เรียนธรรมะยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณจะงมงายคุณจะทําไมว่าไม่ได้ว่าคุณจะดิ้นคุณจะคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณดิ้นเหมือนกับคนติดเสี่ยญญนยาเนะี่ะเขาไม่รู้นะไม่เป็นภาษาแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยนะจะเอาโซ่มัดจะเอาอะไรล่ามจะอะไรอะไรมันก็กระชากตัวตัว ต, ว ต, วตนมัน เลือดไหลมันอะไรอะไม่รู้เรื่องนละมันติดหนักอ่ะอย่างนั้นน่ะเพราะยจะตกนรกกันนั่นอ่ะจากอันนี้ก็ไปอันอื่นจากอันอื่นก็ไปอันนูอันนี้อันนี้อันนี้อันนนมันตั้งเยอะตั้งแยะเพราะเช่นสวรรค์ของคุณนี่แวบหนึ่งได้พลังหนึ่งหรือช่วแวที่คุณตั้งใจแล้วจะไม่มีไอสิ่งที่เป็นอุปทานหรือกิเลสที่มีถ้าอย่างเรยอีกเท่าไหร่ มันไม่ใช่สวรรค์ดังนั้นเพราะมันไม่มีให้เสพนอกจากจะเป็นอรูปอัตตามโนมยอัตตานี่คือรูปอัตตาแต่มันไม่ไม่เรียกว่ารูอรปอัตตาเลียงวิธีการว่าคุณปั้นเซฟอย่างที่อัตมาอธิบายไปมีการมาพบรูปพบอรูปพบมโนมยอัตตาคือรูปพบท จ, จะต้องขยายความในที่ว่านี้ เพราะฉะนั้นผู้ใดล้างอันนี้ได้ก็มีความเที่ยงมีความเที่ยงผู้ดใดล้างไม่ได้มันยังมีจริงนรกสวรรค์มันก็มีจริงเพราะฉะนั้นผมไมได้ศึกษาเลยตั้งแต่โอราติกอาอัตตาเลยก็นรกแล้วมนโนมยอัตาอีกนรกอีกอรูปรอัตาไม่ต้องพูดงงๆอยู่แล้วแล้วคุณก็จะไม่สนใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรื่องเล็ก เรื่องยานี่ยมันยังติดอยู่นี่คุณไม่ต้องไปเอาแล้วโอ้ยนั่นมันเบาบางไม่ไหวเราไม่เป็นรถเป็นชาเราจืดจืดพอโธคุณไม่แ ล, แ ล, แ ล, แล้วหรอกแต่ผู้ที่ล้างไอ้ยาไปจริงคุณก็จะบอกว่าโ อ, เาอ้เท่านี้ก็สุดยอดแล้วเท่านี้ก็สุดยอดเพราะไอ้ยาคุณทิ้งแล้วจริงเลยปัญญามันชัดญาติปัญญาคุณจะชัดมากเลยวะ่ะ ไอ้นี่มันไร้สาระการดับการเลิกการไม่ต้องเสพไม่ต้องสุกจากนันนี้มันชัดมันเป็นปัญญาจริงอะ่ะไม่ใช่ปัญญาที่เชื่อเชื่อตามตามใครคุณเองเกิดยานปัญญาคุณเองว่าสุขห ล, ลอกหลอกแบบนี้หลอกให้เราเด็ด เ, าเราเหนื่อยเราเป็นพาลเราวุ่นวายวนเวียนอยู่ในเด็กก็สุกเด็กก็ทุกข์เด็กก็ว่างเด็กก็เป็นตัวเป็นต้นเป็น โอ้เราได้สูดได้อะไรมันก็คือตัวปลอมทนะั้งนั้นตัวตนตัวปลอมทั้งนะั้นนะสมมุติสิ่งที่คุณเคยติดสินไหมอ่าไม่เคยใช่ไหมไม่เคยติดสิ่นใช่ไหมติดคุณว่างใช่ไหมไม่ติดสินใช่ไหมคุณก็เห็นคนอื่นเขาสูบฟินเขาก็สุขเขา้าโอ้โหสุขจริงๆเลยนะ ใครไปท่ให้เขาสูบฟิลนน์มเอาเขาตายเลยเห็นไหม <_ d ance> คุณก็โอ้โหเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้สบายจังเลย <_ d ance> ก็เกิดปัญญาอย่างหนึ่งแหละอูดูที่เนี่ยมันฆ่ากันเลยเนี่ยมันแย่งฟิน์แต่ก่อนนี่คุณติดลาบติดยศติดแย่งถ้าคุณสามารถแย่งลาบแย่งยศได้ คุณก็จะมั่นใจในตัวเองแล้วก็จะแย่งเหมือนอย่างคนที่มันแย่งอยู่ตัวเนี้ยทุกวันนี้ยข้าต้องเอาให้ได้เพราะว่าข้าเชื่อมือข้าแล้วก็มีคนช่วยข้าต้องเอาให้ได้จะหยาบจะคายจะชั่วจะเลวยังไงต้องเอาถ้าไม่ได้ทุกไหมอ่าแต่คุณไม่ได้เป็นอย่างเขาคุณทุกไหมนี่คือปัญญา คุณจะเอาไหมได้อย่างเขาเนี่ยให้คุณเกง่งเหมือนเขาอีกเอาเก่งอย่างเขาคุณทําได้แล้วก็ได้นะเป็นเศรษฐีอันดับที่ห้าก็ได้นะในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งก็ได้เอ่ะอันดับหนึ่งเขาเขาบอกเขาสุจริตนะเขาหากินสุจริตนะแม้ก็จะเอาเปรียบเอารัดใครมาแล้ว ก, ก็ได้เปรียบมากๆๆ ก, ก, ก, กจนรวยก็ตามเขาคิดไม่ออกแล้วว่าไอ้ได้เปรียบมากๆ า, ก า, กากแล้วเรารวยนี่คือ สุจริตคุณได้เปรียบนี่มันทุจริตแล้วแต่เขาไม่รู้กฎเกณฑ์สังคมคุณได้เปรียบยังไงมาคุณก็ทางสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็มีกฎเกณฑ์เหมือนกันคุณเสียสละเท่าไหร่แล้วแหละคุณสุดจริตคุณที่เสียสละได้สุจริตคุณยังเอาเปรียบคุณทุจริตคุณจะอยู่อย่างชีวิตเสียสละได้ไหมล่ะสุจริตนะเสียสละเอาเปรียบเขานี่ทุจริต ปัญญาคุณชัดและคุณก็ยืนอยู่ตรงนี้ได้คุณก็ทํามันนี้ถ้าคุณก็สุขสงบคุณไม่ต้องเอาเปรียบใครคุณไม่ต้องทุจริตคุณสุจริตเพราะเสียสละได้เสียสละได้ไม่ได้ช่วยเขาได้เกื้อกูลเขาเนี่ยมันเรื่องเป็นความสุขถ้าคุณจะติดเป็นอารมณ์สุขแต่ถ้าคุณไม่ติดเป็นอารมณ์สมถุมันก็ไม่เป็นอุปกิเลสแต่รู้ว่าถูกต้องแล้วดีแล้วปัญญาคุณจบ ทำดีแต่ไม่ต้องยึดดีไม่ต้องดีเป็นเราเป็นของไม่ต้องเสพรถดีอันนี้ไม่ต้องเสพรถดีอ น, นี้ดีแล้วก็ใชยแล้วก็จบอเุเบกขาทันทีวางเฉยจบมุทิตาอา้าวตรวจสอบมุทิตาคือรู้ว่าสิ่งนี้ดีสําเร็จความดีดีนี่มันเป็นประโยชน์ไปกับใครหรใครแล้วช่วยคนนี้ได้ดีให้คนนี้ได้ดีเออคนนี้ได้ดีแล้วก็จบ เมื่อต้องยึดเสพอารมณ์ว่าโอ้ดีใจได้ช่วยเธออดีไปดีไม่พอเธอทําไมไม่กรอบแทนบุญคุณชั้นไม่กรตันอยู่กระตะเวทีที่เคยช่วยเธอนะนั่นก็ยิ่งยุ่งยามใจเลยพยาบาทเบีนกรรมมีเรามีของเรามีเรื่องราวมีนิทานอีกอก็จโอ้โหนานอืมเป็นนิทานหรือเป็นนวนิยายเรื่องยาวที่จะไปอีกกี่ชาติไม่รู้ความติดยึดมันสร้างมันสร้างนิยายไปอยู่เลยแหละ ถ้าไม่ติดไม่ยึดดิยายเราจบส่วนใครจะเข้าจะมากระตันยูกระตะเวทีก็จะมาตอบแทนบุญคุณก็จะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลได้เท่าไรก็เท่านั้นก็ดีไม่ช่วยก็เราเองพึงต้นตนเองทําได้เท่าไหรก็เท่านั้นเราไม่ต้องไป บ, บังคับเขาเขาอยากมาช่วยเองมาช่วยเลยเขาไม่ได้อะไรได้เขาจะได้ความรู้จากเราเขาจะได้สิ่งที่จะไปละลดซ้อน แต่ความรู้อันนี้เขายิ่งจะต้องไปละลดไปหมดโตหมดตนซ้อนไม่ใช่ว่าโอจะมาช่วยคนดี้เดี๋ยวฉันจะรวยขึ้นเดี๋ยวฉันจะได้ยศเดี๋ยวฉันจะได้ชั้นเดี๋ยวฉันจะได้อะไรอะไรมาเป็นโลกธรรมเป็นอามิดไม่ใ ช, ตชนนะต่ต้องชัดเจนนะเทตมาผู้นี้ต้องแม่นประเด็นต้องชัดเจนนะ ทิศทางโลกุตระกับ ท, ทิศทางไปเพื่อความละนายคลายหรือทิศทางที่เป็นไปเพื่อสะสมกอบกอยเพื่อมีตัวมีตนของตัวของตนมากขึ้นมากขึ้นทิศทางมันสองทิศในโล ก, กีมันก็ไปทางนน้นโลกุตระมันก็ไปทางนี้หมดจนศูนย์ได้สุดท้ายมนโนมยตตาอัตาอตาเรื่องในของหยาบหมดแล้ว เพราะงั้นในพระอนาคามีโลกธรรมในด้านโอราริกอัตตาทรัพยลิคานบ้านช่องเรือนฌานกามรมกามคุณห้าหมดกามพบหมดกามมันหมดปฏิฆะมันก็หมดไอปฏิฆะที่ไม่ชอบใจเนี่ยเพราะมันยังมีตนมันยังมีของตนมันไม่ได้สนใจมันก็ปฏิฆะ ด้วยปฏิฆามามาเป็นของตนคือลาบคือยศคือกามกามต้องหยาบพ้านนอกเนี่ยนะคือต้องกระทบติดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปรุงแต่งเสพในตัวเองแต่ถ้าคุณจะไปปั้นเองเสพมโนมยอัตตาของอ่อ อนาคามีเนี่ยในขณะที่ลืมตาเนี่ยสัมผัสสิ่งเหล่านี้อยู่สบายไม่ต้องคมไม่ต้องลำบากแล้วไม่แสบแล้วเฉยอหรือแม้จะเกิดและลิขรีอยู่ข้างในก็ไม่ยากทัานจึงเรียกว่าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่คุณสมบัติของฌานทั้งสี่คือ จิตอันนี้มันมีสุขมันมีอุเบกขาฌานสี่มีอุเบกขาไม่ยากแม้แต่แค่ผ่านวิตกวิจารณก็ผ่านแล้วไม่มีอนาคามีไม่มีวิตกวิจารณ์อนาคามีมีฌานสีได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานสี่อุเบกขามันจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆว่ามันจะต้องมีราตรกดะดีนิดๆหน่อยๆ แต่ก็รู้ตัวแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าจะแรงหน่อยเรียกว่ารูปราคะแต่คุณไม่ออกทางทางนอกเป็นสัจจะความจริงที่อาตมาเคยพูดเคยอธิบายว่าอนาคามีจริงจริงแท้ๆขึ้นไปนี่นะไป แ, แวะบ้านนายอยู่บ้านนายไปเลยห้องไม่มีห้องน้อนให้นอนห้องลูกสาว นอนนะก ล, ลูกสาวไปนาคามีจริงข้อสําคัญลูกสาอย่าปล้ำเขาเท่านั้นน่แตัวเขาไม่ทําหรอกเพราะมันรู้ความจริงว่าเรื่องนี้มันยากเรื่องนี้แล้วถ้าเราทํามันก็ต่อวิบากต่อเชื้อกิเลสเราวิบากก็ต่อนนะใช่ไหมเกี่ยวข้องสัมผัสหรืองปเด็นเรื่องเป็นรากัอันอื่นต่อ ในสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลมันก็เป็นวัตถุที่คุณจะไปสัมผัสสัมพันธ์กับมันได้คุณก็เสริ gni เลคคุณไว้อีกถ้าเป็นคนก็ยิ่งนี้โมมีตัวมีตนบุคคลเราเขายิ่งเขาเองเขายิ่งยอดพยาบาทเป็นเราเป็นของเราเซ็ต อ, อันคุณเอ้ทีเนี้ยอนาคามีไปไปไ ป, ไปเรื่องที่มันไปไคู่คนนี้มันดันดันกลายเป็นคนหึงคนหวงค น, งคนติดคนยึดยังแย่ แต่ตัวเองเป็นอนาคามีด้วยนะแม่พูดใีกคิดถึงพระที่ศึกไปเอาจริงนะผู้หญิงคนนั้นเขาเกิดยึดเป็นตุกุลของกูมันจะเป็นทีบากไปอีกกี่ชาติไม่รู้กับคนเนี้ยผู้หญิงเขาไม่ปล่อยคุณนะ่ะจิตของเขาอ่ะเขายึดเป็นเราเป็นของเราจิตคุณอาจจะนิดนิดหน่อยหนยติดยึดแต่ประมาท ส่วยนะโอ้โหเนี่ยอาตมาเตือนถ้านพูดที่ศึกไปไปเรื่องนี้นะแล้วภูมิเข้าขายอนาคามีนี่นะสวยนะยังไปก่อเรื่องขอรามีนิทานมากมายขึ้นไปอีกโอ้โหเจ้าพระคุณที่นี้เวนไปอีกกี่ชาติไม่รู้ถ้าคงไม่ใช่อนาคารครับ บอกว่าเป็นบุพเพทันทู่ว่าเพื่อไงอธิบายมันละเอียดลึกๆเพื่อมันเผอมันไผ่ a อน t า m ามีจริงท่านไม่เป็นหรอกเพราะเจ้าทไม่ทาถือว่าเป็นเรื่องคือมันจะรู้มันจะละอายมันจะมีฮิรีมันจะมีโอตปะอันนี้เป็นคุณสมบัติของคุณธรรมที่แท้จริงโอตปะอ่ โอตตปานี่มันสูงกว่าฮิริฮิรีมันละอายแต่ละอายนี่นะใครไม่เห็นแอบเหมือนกันนะอ่ายิ่งใหมันยังแรงอยู่มันมีใครเห็นอรับตารับรับพ ล, ลังคนแต่ถ้าโอตตปานี่ไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยก็ไม่เอาตัวเองรู้ว่าสิ่งที่เสริมให้แก่จิตจิตเราก็เสิมเข้าไปมันก็มีเหตุปัจจัยอีกไปต่อเหตุปัจจัยใส่มันทําไมล่ะ กรรมเป็นอันธรรมคุณจะบอกว่ากรรมนี่คุณทําแล้วไม่มีหนะ้าไม่เอานะ <c oughs> ไม่มีกรรมเป็นอันธรทำเพรานะพูดท่านมีปัญญารู้แล้วที่อาตมาพูดนี่พูดโดยความจริงที่อาตมาอาตมามีปัญญานี้อาตมาว่าคุณมีปัญญานี่ก็ต้องเหมือนที่อาตมามีเ ร, ร า, ม า, ม า, มมมามจะไปทําทําไมอะกรรมเป็นอันธรรทำนะยิ่งอรหรันจบเลย แลอะอรหันนั่นแหละมีเทียมไม่ตรงแบบตรงปับไม่ต้องไม่วิจารณวิจัยอะไรแล้วสัจจะมันเป็นจริงเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ทางจิตที่เป็นของพระพุทธเจ้าที่สุดยอดอรหัน์นั้นเลยอรูปรอัตตาไปแล้วอรูปรอัตตาคือเศษทุรีละอองสิ่งที่มีเศษมีส่วนมีอะไรอะไรอีกทั้งคนล้างส ก, กุลธรรมสะอาดหมด จนนิจจังทุกวงสัจตังอวิปปินามธรรมังอสังหิรังอสังกุ ป, ปังจะเป็นได้เช่นนั้นี่มีทฤษฎีของพระเจ้าหลักวิชาที่จะต้องปฏิบัติคือคุณต้องรู้เวทนาในเวทนาร้อยแปดวันนี้ขอถือโอกาสอธิบายเวทนาร้อยแปดให้ฟังดีๆบางมีเวลาที่เหลือพอสมควรอีกครึ่งชั่วโมงกว่านา ตั้งใจฟังดีๆเวท น, า ม, ว น, า, วน า, ามีเวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าเวทนาหกเวทนาสิบแปดเวทนาสามสิบหกแล้วก็เวทนารอยแปด <c oughs> มันเป็นสภาวะธรรมที่จริงเวทนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์ เพราะฉะนั้นเริ่มแรกคุณก็ได้เรียนรู้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ผู้อ่านอารมณ์ทุกข์ของตัวเองออกนั่นคือผู้พบอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ใจเรื่องมันเป็นความรู้สึกหรือเรียกมันเป็นอารมณ์เป็นภาษาไทยอาจามัก็เป็นไม่ต้องแปลอื่นเราแปลแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจมันก็เป็นอาการของจิตเรานั่นแหละ อาการจิตที่มันรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอารมณ์อย่างนี้อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อย่างนี้แหละเมื่ออารมณ์สุขนั้นไม่ใช่อริยสัจอ่านออกก็ดีเพราะงั้นคุณก็ต้องไอ้นี่มันเป็นสุขขลิกะมันเป็สุขเทศจริงๆมันคือทุกข์คุณลองไม่ให้มันดูสิไม่ให้มันสิ่งที่ปรารถนามาบําเบลตัวเนี้ยมันจะเห็นเลยว่าตัวแท้เหตุของมัน มาก่อนที่จะเกิดสุขเนี่ยเหตุที่จะมาก่อนสุขนี่คือกิเลสตนาอยากได้มาเป็นของตนและอยากได้มาเสพรสให้แก่ตนเมื่อคุณจับอาการนี้ที่จิตได้คุณก็จะรู้ทุกจับอาการตัวที่มันเป็นเหตุเคคือตัวตัณหา พระพุทธเจ้าท่านสอนตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนรู้ที่จะรู้จิตพวกนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมท่านถือว่าขั้นต้นที่สุดผู้จะพ้นมิจฉาทิฏฐินั้นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนีอายตนะหก แต่แต่รรมปิฎกเรื่อสิบหกที่พระพุทธเจ้ามาอธิบายในปฏิจงโมบาทนั่นแหะก็ใช่ทั้งนั้นแหละจะต้องมีวิญญาณหกแล้วก็จะต้องมีญาณปัญญาที่จะรู้นามารูปเธอตรมาอธิบายมามากแล้วนามากลายนามารูปรูปปัปปปปะรูปังรูปารูปรูปกายนะต่างๆนานาถึงนามากลายรูปนามารูปต่างๆนานาอธิบายมามากแล้วน วันนี้เขาผ่านนามมารูปคือคุณจะต้องอ่านนามธรรมของคุณออกนามธรรมานนั้นถูกรู้เช่นเริ่มต้นเป็นอุปาทายรูปเนี่ยมันก็เป็นนามแล้วนะเริ่มเป็นนามแล้วนะหรือแม้แต่รูปรูปประกายตา ไปสัมผัสข้างนอกก็มีองค์ประชุมของธาตุรู้รู้แล้วสัมผัสดอกลั่นทมข้างหน้าอาตมาเนี่ยมายเอามาระดับเจะสะสวยตามลักษณะปฏิประดอยตกแต่งกิ่นมีด้วยดอกก็สวยดีอยากได้มาชมมาดมมาหอมก็เอามาก็มาสูบมาดม อยากได้ไปกินก็กินจอกน้ำทมนี่ชุบแป้งทอดกินน้ำพริกนิดหน่อยหรือใส่ซอสเคยกินไหมคนเคยก็เคยมีคนเคยมีคนไม่เคยแล้วไปเ น, นี่ยดอกน้ำทมเนี่ยชุบแป้งทอด เราติดเราอยากกินเราไดๆใจต่างๆนา น, นาคุณเรียนรู้กินเลย ข, ของคุณแล้วแล้วคุณก็เลิกคุณก็หยุดเวทนาที่คุณเป็นอารมณ์ได้เสพสุขมันก็เป็นสุขเวทนา ท, ที่สองหนึ่งเวทนาสองอย่างกายยิกะทุกกับเจตสิกะทุกกายยิกระทุกก็คือองค์ประกอบทั้งหมด กายเนี่ยท่านแปลทับศัพท์ว่าความสุขทางกายมันสุขเพราะมันได้กระทบองค์ประกอบทั้งหมดตั้งแต่รู ป, ปรกายมีสิ่งที่ถูกรู้ข้างนอกที่อาจมาพูดถึงเมื่อกี้นี่สูตรแรกคงที่จะทำนี่คือการพ้นมิจฉาทิฏฐิในพระเตรปิรกเล่มสิบแปดข้อสองร้อยห้าสิบสี่ ตะมาจําแม่นอันนี้จําไม่ลืมจําได้นะผู้นั้นจะต้องปฏิบัติครบพร้อมทั้งอายตนะสิบสองตาหูจมูลิ้นกายใจมีทั้งอายตนะนอกอายตนะในาเรียกว่าสิบสองมีวิญญาณหกวิญญาณทางตาวิญญาณท้ ง, ญญณทงหูจมูลิ้นกายใจเกิดมีสัมผัสหก เกิดเวทนาที่เกิดจากสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยข้อที่อันินจโตเห็นด้วยความไม่เที่ยงนั้นเริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิที่คุณจะเข้าใจอย่างที่อาตมาอธิบายผ่านมาแล้วว่าเสพยังไงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไคแม็กซ์ของคุณที่อสุกอร่อยนั้นวันนี้เดียวผ่านมาแล้วมันก็ ถ้าคุณกินในดอกลั่นทมชุบแป้งทอดต้องอย่าตามสเปกของคุณชอบคุณก็อร่อยเคี้ยวคกลือลงไปแล้วไม่มีแลอยากอีกคุณก็ต้องกินใหม่ใช่ไหมก็จะได้รสนี้ใหม่และคุณก็สุกใหม่ผ่านไปอีกก็หมดไปอีกแล้วกินอีกกินมากๆขา้ากมากๆข้าชักเต็มท้องชักชินชัด ไม่แล้วกินไม่เข้าแล้วชักจะไม่เที่ยงแล้วเอ๊สุกมาชักเล็งลางแล้วเอ๊ก็เมื่อกี้มันสุ ก, ส, กสุกนี่นะตอนนี้มันชักไม่สุกแล้วพอชักบอกมันตื้ออีกแล้วพยายามกินต่อไปมันก็ตื้อตื้อ ต, ตอนนี้อยัดเข้าทุกแล้วตอนเนี้เอาคนนี้บอกกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกตอนนี้ทุกข์แล้วไม่เที่ยงชัดมากเลยใช่ไหม มันไม่จริงหรอกเออความสุขความทุกข์มันไม่จริ ง, งแต่ถ้าคุณยังติดอยู่อ้าวดีคุณถามตรงนี้แหละผมกลั ว, วคำถามอะไร <laughs> คุณติดไอ้นี้มันก็เป็นอุปทานที่คุณติดเพื่อคุณสุขตรงนี้แล้วพอคุณเอาละพอแล้วคุณก็พักยก <laughs> ไ้วันหลังมแม่ระลึกถึงดอกลั่นทมชุบแป้งทอดอีกที <laughs> ลูกเอ้ยแก้วดอกลั่นทม มาชุบแป้งทอดให้พ่อกินอีกน้อยอยากกินมันแล้วมันก็เวียนมาเพราะมันอุปทานนองคุณยังไม่ได้ล้างมันคุณยังยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องกินมันได้กินอันนี้มันได้สัมผัสอันนี้มันอร่อยมันเป็นอย่างนี้แหละอร่อยเป็นอย่างนี้คุณก็ยึดอยู่งั้นจนคุณเห็นว่าปั้วไอ้ความสุขนี่มันของหลอกมันไม่จริงหลอกๆแล้วคุณก็ติดมันมากี่ชาติแล้วคุณไม่รู้ เดี๋ยวชักชักเบื่อไปไม่ติดแลนองแ่นทมชุบแป้งทอดไปชอบดอกอะไรชุบแป้งทอดอีกอื่นๆดีไม่ดูไปเอาขี้หมูขี้ม้าอะไรมาชุบแป้งทอดกินไปแทนอันนี้ไม่เอาแล้วเขาว่า น, นุ่นดีกว่าก็เลยหลงไปติดอ น, นุนอันนี้ลืมไปก่อนแต่คุณไม่ได้ล้างนะไอสิ่งที่คุณติดติดติที่คุณไม่ได้ล้างทั้งหลายทั้งแหลนี่แหละบรรดามีอยู่ใน h a ด, ดี d ุ s k คุณในมาตโก้เลย บางทีชาตินี้มันยังฝังอยู่ต้องไม่รู้ตัวไห่มันไม่ได้ขึ้นมาเพราะชาตินี้มาอยู่ที่นี่มาเกิดที่ประเทศไทยแต่ก่อนนี่อยู่ที่เกิดประเทศ Represent? ไหนก็ไม่รู้แล้วมีวัตถุนั้นอยู่ที่ชาตินั้นอยู่ตรงนั้นก็เลยติดอันนั้นพอมาชาตินี้มาอยู่ตรง น, นี้ลืมสนิทเลยอนุพาวชาตินี้มาเกิดนี่มันไม่มีอันนี้ก็เลยไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมีอันนั้นบอกมีคนเอาอนุจากประเทศโน้ น, นที่เราเคยติดมา เหรียญตั้แต่โ บ, บราณตั้งแต่ดึกดําบรรพของเราติดมาตั้งแต่แรกไตรชาติแล้วเฮ้ยเฮยเ้ยอันนี้ใช่ใช่ใช่ขึ้นได้หรือเริ่มมาติดใหม่ก็ได้เขาลอกคุณคุณใหม่คุณก็ใส่เข้าไปใหม่ติดใหม่เมื่อคนที่ติดไม่รู้จักล้างคุณมีจะ ต, ติดใหม่เข้าไปเรื่อยๆไอ้ที่พักยกมันก็สั่งสมลงในฮา์ดดิสของคุณ ตลอดไปคุณไม่ได้ล้างที่ท่านเดินดินถาแวจะทำยังไงต้องล้างด้วยการปฏิบัติเห็นอันนี้จังทนมิชาทิฏฐิต้องมีครบนะมีอยายตนะสิบสองมีวิญญาณมีสัมผัสมีเวทนาที่เกิดจากสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วรู้เห็นมันมีปัจติสัมผัสอยู่ทนโท้ จึงเรียกว่าของสดของจริงและคุณก็จับกิเลสตัวนี้ได้จริงว่าบำบัดแล้วไม่ให้มันเสพมันก็ดิ้นสิแล้วคุณก็จงเรเห็นว่าเริ่มเห็นว่ า, วาโอ๊ยจริงๆมันก็มันไม่ใช่ของจริงเลย ม, ม, มีตัวตนจริงหนเดยมันก็ยุดลบอธิบายผ่านมาแล้วบางกีแม้คุณจะเสี่ยนให้ตายไงสักเวลานึงคุณก็พับไปแล้วคุณก็ลืมคุณก็หลบหลับไปฟื้นขึ้นมา กูก็ไปใหม่แล้วมันก็เพลาแล้วก็หาอะไรมาทดแทนหรือมันยังติดอีกอย่างอีนิดนก็บาไปเถอะไอ้คนนั้นก็ต้องถูกมัดถูกอะไรไปสุดท้ายดีไม่ดีถ้ามันติดหนักจนกระทั่งสุดท้ายมันดิ้นมาก็มันก็ตายมันติดหนักจนกระทั่งมันไม่ได้มันขาดใจตายก็มีแต่น้อยใช่ไหมมันจริงๆมันไม่ถึงขั้นนั้นง่ายๆหรอกเอาอื่นแก้แล้วก็บรรเทาไป เอาตูนแก้กับมันเทาไปช่ ว, ชวาวช้วาวชราเริ่มต้นอันนี้จะโตเห็นความไม่เที่ยงในเริ่มต้นพลถือว่าพมิจฉาทิฏฐิอันที่สองในข้อสองอยห้าสิบห้าเรียกว่าสกายทิฏฐิสูตรนี่แหละคือสังโยชน์ข้อที่หน่ส ก, กายทิฏฐิคือตัวตนของกายตัวตนคือสักกะ ส ก, กับแล้ว่าตนเองตัวตนองค์ประชุมของเราองค์ประชุมอะไรนี่แหละองค์ประชุมอายตนะสิบสองวิญญาณหกผัสสะอันนี้เหตุปัจจัยที่คุณมีอุปทานติดยึดอยู่ตรงนี้ตัวนี้แหละคุณยานคุณเห็นตัวนี้แล้วรู้ว่าเป็นตัวตนแล้วและรู้เป็นตัวตนด้วยความเห็นเป็นทุกตอนนี้เป็นทุกแล้ว ไม่ได้ไปเพ่งจิตสุขแล้วรู้แล้วว่าสุขนี่มันหลอกถ้าบําเรอมันมันหลอกมีอุบายเครื่องออกยาให้มันบําเรอมันก็ทุกตามเหตุแห่งทุกได้ไอ้ตัวทุกจริงจริงมันก็คือเหตุแห่งทุกตัวจริงอยู่นั่นแหละมันคือตัวทุกเพราะมันอะไรมันดิ้นหล่นยามันมีอยากสองอย่างอยากมาเสพกับอยากทําลาย อยากทำลายคือโทสะอยากเสกคือโลพาือราคะนี่สองอย่างคุณก็พิจารณาตัวนี้หนึ่งพ้นมิจฉาทิฏฐิให้ได้มันไม่เที่ยงสองเมื่อคุณเห็นแล้วคุณจะต้องพิจารณาเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะ มันเป็นภาระที่จะต้องมีถ้ามันถ้ามีมันหรือมันมีอยู่ในเราตลอดกาลนานเมื่อไรมีคืออะไรคุณโง่ยึดมันว่ามันมันจะต้องมีและคุณยึดอัราะอะไรก็มันสุขนิวาคนก็ต้องเห็นว่าสุขนี่มันไม่ไม่เที่ยงและมันไม่จริงมันไม่ของหรอมันวัดเดียวเท่านั้นเองมันยิ่งกว่าพยับแดดมันยิ่งกว่าฟองขึ้่น พจ้าพระเจ้ท่านเทียบไปฟังหมดแล้วอาตมา ก, ก็เคยหยิบสูตรนี้มาอธิบายมันไม่จริงมันไม่มีตัวตนจริงถ้าปัญญาคุณเกิดสูงเห็นจริงโอยเราติดมันเนี่ยถ้าเราไม่ติดมันถ้าเราไม่มีสุขกับมันเนี่ยนะเราจะตกต่ำไหมเช่นคุณไปติดของที่เศษติดเบื้องต้นคุณก็จะต้องอ่านความจริงอันนี้ได้ คุณติดเหล้าไม่น่าติดคุณก็มันล้างอยู่ระดับตั้งมันไม่ติดปัญญาเกิดถึงที่ล้างได้สนิทคุณก็จิตไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่เป็นไม่มีคุณก็ไม่ได้ดื่มเหล้าคุณก็ไม่ต้องไปแสวงหาเหล้าไอ้ที่เราเองเราไม่ต้องสูบสุบไม่ต้องดื่มเหล้าแล้วไม่ต้องแสวงหาเหล้าไม่ได้สุขเพราะได้ลืมดื่มเหล้าคุณจะมีปัญญารู้ว่า เอ้มันไม่ใช่ความบกพร่องนะไม่ใช่ความขาดอะไรสิ่งที่ประเสริฐอะไรแม่มันต้องดื่มแล้ามันจะเป็นความประเสริฐของมนุษย์ตอนนี้เราไม่ได้ดื่มลแล้วแล้วแม่หมดความประเสริฐไปวะอาจารย์ผู้หญิงนี่ติดลิปสติกพอมาวางปล่อยลิปสติกแล้วไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์เพราะได้ ทาลิปสติกไม่ต้องมีลิปสติกอีกไอ้ <Okay. S 1> คุณ <Okay. S 1> ขาดพ่อความประเสริฐในชีวิตไหม <Okay. S 1> ไม่ต้องมีลิปสติกไม่ต้องทาลิปสติกมันขาดความประเสริฐในชีวิตไหม <Okay. S 1> มันช่วยคุณทํางานได้ว่าแฮบถ้าทาลิปสติกแล้วทํางานเก่งเลยถ้าไม่ทาลิปสติกแล้วมันทํางานไม่ออก <Okay. S 1> มียา <Yeah. S 1> ขอบ ถ้าไม่ได้กินเหล้าในเขียนหนังสือไม่ออกติดจนกระทั่งถ้าคุณกินอีกคุณตายนะหมอหมอยาขอบถ้าคุณไม่หยุดคุณตายคุณจะเลือกเอาตายหรือคุณจะเลือกเอาที่คุณจะต้องติด เขาจะอ้างว่าเขาเขียนหนังสือไม่ออกหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาบอกผมเลือกเอาตายครับคือต้องกินหมอบอกกินตายนะแกก็เลยตายเพราะกินเหล่านี่มันติดหนักติดหนาไม่มีธรรมะมันศึกศาสตธรรมะเอาแต่ติดแค่เหล่านั้นคณติดเล็บติด ค, คุณติดเพชรติดพลอย แผ่ดินติดที่ดินเนื้อที่ติดเข้าติดของติดสมบัติวัตถุอวราชัตตาอะไรต่างๆนาน า, น า, นานเนี่ยยังหยาบอยู่เนี่ยคุณก็เรียนรู้อย่างนี้แหละตั้งแต่ขั้นว่าทิ้งมันก่อนเธอดต่ น, นี่นะไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เสียความประเสริฐอะไรแล้วจะมีความประเสริฐด้วยซ้ํานะถ้าละที่ไม่ต้องมีสิ่งนี้แล้วไม่ต้องไปสุขไปทุกข์ไม่ต้องมีมันเลยเนี่ยเป็นวัตถุมันก็คือมีสภาพของวัตถุด้วยไม่ต้องมีมันก็ไม่ต้องมีเปล่า ไม่เป็นไรไม่ต้องมีเพชรไม่ต้องมีพลอยไม่ต้องมีติปสติกสักแท่งเลยไม่ต้องท้าไม่ต้องมีใช่ั้มมันไม่ได้เสียความประเสริฐมันไม่ได้เสียความไม่เสียวัฒนะไม่ได้เสียอะไรเลยนี่เบาว่างเลยสั้นไปไม่เป็นภาระใช่ั้ยคุณจะเกิดปัญญายิ่งกว่าที่อาตมาที่บายยกตัวอย่างนี้อีก สูงขึนไปเรื่อยๆเรื่ๆรืยๆคุณก็หมดติดหมดยุตไปเรื่อยๆเรๆรืๆสูงประจนกระทั้งแม้อราทิกัอัตตาไม่มีเลยเหลือแต่ลุมหลุมแรงแรงเป็นมโนมยอัตตาเป็นรูปาวจรหรือเป็นรูปภพในใจซึ่งมันไม่หยาบไม่คายไม่มากไม่มายมันไม่ต้องไปใช้สิ่งข้างนอกแล้วสิ่งข้างนอกไม่ต้องกระทบ ปั่นดิมาลเสพเองไปกระทบนี่ก็ไม่แล้วไม่มีปัญหาแล้วไม่ไม่ต้องยากไม่ต้องล ำ, ำบากํำบากแล้วเพราะว่าจิตได้โดยไม่ยากลมไม่ลำบากในฌานซี่อุเบกขาแล้วเฉยวางและมีอตุตตระมีความเกรงกลัวต่อบาดมากพอคุณก็ไม่ต้องแล้วก็สบายถ้ายิ่งเลย อนาคามีไปอีกยีเลนนี่มันหมดเหลือเศษตุลีเราออกเลยน่อยๆบอกไปแปะอรูปะอัตตาก็เรื่องของคุณจะเอาหางช้างออกจากโภยกานี้หรือไม่เอาคุณจะเอาไว้ก็เรื่องของคุณเรื่องหางน้อยเดียวเรื่องหางเศษไปปลานิดนึงก็เรื่องคุณจะเอาไว้ก็เรื่องคุณสิ เราจะมีญาณบัญญารู้ว่าโถเอ้ยไรสาระหรือว่ามันจะไปมีอยู่อีสัมมานี้นินหน่อยตองแต่งตองแต่งก็คุณ <c oughs> ตัวใครตัวมันคนใจรัดอิกรดี้จะจะเหลือไว้อร่อยรสนิสัยถึงยังไงมันก็ไม่ไปพิสเพนไฟกับใครเพราะมันเป็นวิมมานสร้างพบสร้างชาติเองแล้วยิ่งขั้นอรูป อ, อ, อรูปอัตตา ม, มันเด็กน้อยจริงจริงเลยนิดนิดหน่อยหน่อย ช่างคุณถอะปล่อยสีสคุณไปและดอิดบีไงและดอิด <laughs> บีช่างคุณเถอะคุณก็ตามคุณไปของกำมงแต่คนที่รู้แล้วว่าโถเอ้ยมันมีอย่างนี้แหละ น, น, นานๆไปจริงๆมันก็จะเลือนไปเองได้เพราะฉะนั้นในภพภูมิขอนนาคามีภูมิถึงไม่ทำอะไรมันมันก็สึกมันจะ หมดไปเองนะมันจะหมดไปเองในเรื่องที่คุณยังยึดใหญ่ในอนาคามีภูมิห้าเนี่ยถ้ามีหนึ่งอันตราปริลิพายีสองอุปหัสจะปริลิพายีสามสังขาปริลิพ า, ายี4ีอาตมาไม่จำไม่แม่นว่า ส, สังขาขึ้นก่อนหรือว่าอสังขาก็ไม่รู้ สังขารปริพายีแล้วก็สะอสังขารปริพายีแล้วก็อุทังโซโตโอกคนิทคามินีนะมีห้าสภาวะนี้ห้าสภาวะนี้เนี่ยท่านไล่ยาบไปตั้งแต่ล่างไปหาบนอุดทังโซโตโอกคนิทคามินีอาตมาเคยสภาวะที่อาตมาคิดว่า อัตราปณิเนปายีนี่ยากที่สุดแต่ในพระไตรปิฎกท่านอุทังโซโตยากที่สุดอุทังไปวันหนึ่อรู้แล้วก็ใหญ่มันก็เลยมีอัตราอยู่เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าจะอธิบายสลับ ไปกับหัวกับหางนี่อัตมาว่าอธิบายไม่ผิดอะไรได้ทั้งคู่เลยแต่เอาเถอะอธิบายตามที่ท่านอธิบายอัตมาไม่ก็ถนัดเลอธิบายตามปฏิบิตแต่ถ้าอัตมาอธิบายตามที่อัตมามั่นใจในสภาว่าของอัตมานะอัตมาว่าอันตราปริภายีนี่แหละยาบที่สุดอันตราแปลว่าในระหว่างในระหว่างกับในระหว่างพบชาติ ในระหว่างที่มันยังมีอยู่สมมุมติว่าในระหว่างนี่เราไม่รู้จะ ก, กำหนดยังไงอ่ะแต่คุณก็จะต้องหมดเช่นเมือคุณเองคุณก็ปล่อยมันในลิกลี่ไปงี้นอนไปเจ้าไรเมร่มรบรรลุมันจะค่อยๆจางจางจๆงจงจงจางจงจา ง, จา ง, จา ง, จางไปเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็หมดไปได้เองของมัน คุณไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกไปไปอย่างนี้มันก็หายไปเอสุดท้ายก็ดับระหว่างเมื่อใดเมื่อหนึ่งส่วนอุปหัตปริิพายีนั้นด้วยสามารถอุปหัตจับแล้วว่าด้วยสามารถนะคุณจะต้องใช้ความสามารถทาเกียนจัดการกับมันล้างกับมันแม้มันจะเล็กจะน้อยก็ทํ า, ทา <c oughs> แล้วคุณก็จะล้างมันได้ ก็จะดับจะหมดไปอุปหัตบริณพายีนะสูงไปกว่านั้นสังขารบริณพายีก็จะถูกใช้การปรุงแต่งการจัดการสังขารแปลว่าการจัดการหรือการทำต้องทำกับใจของตนเองสังขารบริกร คุณก็จะหมดได้จัดการกับมันอภิสังขารคือกระชมรักมันนะมันเลือดเศษเลือนิดแต่ไงก็ตั้งใจต้องทำส่วนอสังขานะไม่ต้องมันเลือนน้อยเลือนน้อยแล้วอสังขานไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปทำไปจัดไปการอะไรกัมันไม่นานอะ่ะ ไม่ต้องไปใช้ความสามงสามาต ร, รอุปหัดจับอะไรมากมายมันก็หมดได้ดับได้ส่วนอากขณิทคามินีนั้นเออมันแว บ, บปับอย่างนั้นเองมันใหญ่อันนีอากขณิทฐาเนี่เราไม่แป ล, แปลว่าไม่เป็นไม่เป็นรองใครมันใหญ่ที่สุดละไม่เป็นรองใครมันใหญ่ที่สุดแล้วมันเหมือนกับพวกที่อุกติตัึงอยู่ปั๊บ รอบานนะอสังขารก็เหมือนดุริปจิตตันอยู่ภาคเพียนนิดหน่อยอสังขารที่ไม่ต้องในนี้นี่ของอัตมาสภาเพราะา อ, อัตมาอธิบายอย่างนี้ทีนี้จะกลับให้อธิบายแบบนี้กลับคืนไปอีกเป็นตามพระยัญชนะนั้นก็ได้โดยไปแปลว่าอันตราปนิพพาตีนี้สูงสุด มันจะดับเมื่อใดไม่ต้องไปทําอะไรมันเมื่อใดเมื่อหนึ่งก็ได้ถ้าอุปหัสก็ว่าต้องใช้ความสามารถหน่อยนะทําลายมันอถ้าอันที่สามก็ตอกอภิสังขารมันมากน้อยมากกว ป, ปะอุปหัสจักมันเขาว่าเอาตั้งแต่สูงลงมหาต่ํา อาการนิจาม่มีต่ําสุดถ้าอธิบายอย่างนั้นเนี่ยเอตมาว่าออตมาว่ามันไม่เคยถนัดแต่เอาเถอะสภาวะไม่เป็นไรสภาวะนี่แต่เป็นแบบเนี้ยคุณจะกลับขึ้นกับลงข้างไหนคือห้าอย่างเนี่ยอนาคามีห้าอย่างออตมาไม่แยง้งไม่เถียงในพยัญชนะสภาวะห้าอย่างนี่คุณจะเอาหัวขึ้นหัวลงคุณจะเอาอะไรสูงอะไรต่ํา ลักษณะหประการนี้เท่านั้นแหละคือลักษณะของอนาคามีภูมิที่เหลือเพราะนัะ้นผู้ที่เข้าใจแล้วของตนเองก็ต้องศึกษาและผู้เป็นทัาศึกษาต้องการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุอรหันต์แท้คุณก็พากเพียรพยายามทำไปสิถ้าคุณไม่ทําคุณก็ยังนี้แหละถ้าคุณทีเข้าใจภูมิแล้วภูมิอนาคามีจริงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงโสดาก็มีลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงในถ้าถึงอนิยตะ ภูมิธรรมที่มีญาณปัญญาที่เข้าถึงมิมุนะติญาทัศนะแปลว่าญาณปัญญาที่มาถึงขั้นมิมุติหลุดพ้นไปได้ประมาณนั้นจะเลือเศษเลือส่วนหน่อยอย่างโซดาบันเนี่ยโสตาปนาอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปราญณนะคุณสมบัติของเข้ากระแสแล้วได้ามากขึ้นเป็นห้าสิบเปอร์เซนวินิปาตธรรม มันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะพยายามตั้งแต่ได้ยบ5บผ้าผาเพิ่งขึ้นมาตั้งใจถ้าพอายิบผ้าอยู่ผ้าเพียงดึงลงไปไ ป, ไปเดี๋ยวก็เสียเวลาไปอีกแต่ถึงจะเสียเวลานะโสดาบนถ้าเข้ากระแสไปแล้วนะยังไงไปอีกคุณก็ต้องมาเอานี่อยู่ดีเมื่อใดก็เมื่อนนะั้นนอกจากคุณชาล่าใจไปเสียเวลาอยู่กับโลกีไปอีกทั้งนาน เขาก็ต้องมาเพราะจริงๆแล้วมันก็จะต้องไปรู้ทุกอยู่ตรงนั้นแหละยิ่งมาได้รู้ว่าทางนี้เนี่ยมันมันมีอาการของสภาพรู้ไม่เที่ยงรู้เป็นทุกข์ตปโสดาบันไดตั้งยเปเซ์แล้วนี่นะพ้นสักกายตทิฏฐิพ้นวิจิกิจชาด พ, พ้นศิลปศลปตปรปรามาแล้วจริงนี่นะคุณจะมีสภาวะธรรมนนั้นจริงๆของจิตวิญ ญ, ญาณ เพราะฉะนั้นเมื่อมีคุณสมบัตินี้มากขึ้นตามที่ท่านแจ ก, กไว้แลวอาตมาเขาพยายามมาแบ่งเป็นสี่ส่วนก็ท่านตรัดไปได้ได้ไดสี่ส่วนโสตาปนกวิธิบาตธรรมนิยตะสัมพทธิปรายณนะเราเอาสังคยาเล่งมาเรียกเป็นยี่พายี่พายี่ายี่าเป็นส่วนแต่และแต่และหนึ่งจนสี่หนึ่งจนสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมอ่ายี่าถ้าได้คุณสมบัติมันเป็น อินทรียเวทนานี่เรียกว่าเวทนาห้าอินทรีย์ห้าคือมีโทมนัตเวทนาสมันัตเวทนาสองสมีทุกขเวทนาสุขเวทนาสี่อุเบกขาเวทนาห้านะแต่ท่านเรียกว่าอินทรียกําลังของมันตันดับของมัน หยาบทกุก็ต้องหยาบเกี่ยวกับข้างนอกมากสุกขก็ต้องหยาบเกี่ยวกับข้างนอกมากพอเข้าไปข้างในก็กลายเป็นโท ม, มนัสและสมมนัสเรืออยู่ข้างในเข้าไปยิ่งเป็นรูปรูปราคะก็ยิ่งบางเบาเข้าไปข้างในมากแน่ถึงอุเบกขานี่คือกำลังของ กิเลสมันกำลังของกิเลสที่จะเป็นอัสาธะก็ตามอาสาธะในทุกน้ำรสอร่อยในสุขในทุกขของมันก็ตามมันก็มีน้ําหนักของมันตามลำดับนีน้เรียกว่าเนื้อเนื้อหาของสุขของทุกขของมันนี่คือเวทนาห้าเวทนาสารสุขของเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนาสกายยกัทุกข์ใเจะเสื่อทท 2, ก, กทุก เมื่อกี้กติบาแล้วกายยิก่กทุกคือต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเจตสิกกระทุกก็คือชี้เฉพาะตัวจิตตัวเจตสิกเป็นทุกข์ก็หาเหตุแ่งทุกข์ของมันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันแยกไม่ออกหรอกเจตสิกกระทุกก็กายยิก่กระทุกถ้าแยกก็ต่อเมื่อคุณเองกายยิก่กระทุกองค์ ข้างนอกรูป ร, รูปรข้างนอกคนเลิกและไม่ทุกข์ด้วยรูปรูปร ะ, รปะเภท น, นาคามีขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณจะกระทบทางตากายนอกกายแล้วคนไม่ทุกข์เข้าไปถึงกายในกายไอ้ยาบกายในกายมันก็ไม่ทุกข์หรอกเวทนาที่เหลือก็รูปราคารูปราคาของคุณคุณก็ลางมันก็ต่อไปนอินทรีย์ค ห้านะท่านเรียกเต็มๆคาว่าทุกขินสีหรือสุขขินสีแล้วก็สมอนัตสินสีหรือโทมอนัตสินสีอันสุตทายก็อุเบกขินสีนั่นคือเวทนาห้าก็ต้องรู้น้ําหนักว่าคุณทําได้หรือไม่ได้จากสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่น้ําหนักของมันทีนี้ไอ้สุขไอ้ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวาร สุขสามอย่างเนี่ยสุขทุกและไม่สุขไม่ทุกนี่แหละมันเกิดจะทะวานหกทวานหกทวานก็เป็นสิบแปดสิบแปดเบฒนาเวฒนาที่เกิดจากเหตุปัจจัยต่างตาะจากเหตุปัจจัยทางหูจมูกลิ้นกายใจหกทวานหรือมันสุขหรือมันทุกหรือมันไม่สุกไม่ทุกมันพักยก ที่มันไม่สุขไม่ทุกข์พักย่นี้คือลักษณะของเคหสิตาเวทนาทีนี้เคหสิตาเวทนาก็มีสิบแปดจากตาก็สามได้จากหูก็สามได้จากจมูกก็สามได้จากลิ้นก็สามได้จากสัพพัดเศสีก็สามได้จากใจเองวิมานในใจเองก็สามได้เหมือนกันก็รวมแล้วเป็นสิบแปดเวทนาถ้ามันสุขมันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุก ไม่สูไม่ทุกโดยพักยกมันเป็นธรรมชาติอยู่มันพังยกอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ยอธิบายแล้วมันพังยกมันไม่ได้ล้างกิเลสนะนะตอนให้คุณฟื้นไปเองเนี่ยมุกเกี้ยกตัวอย่างไปทอดดอกลัทนทมชุบแป้งเนี่ยสุดท้ายยัดเข้าไปมันไปสูงลงมาทุกเลยแหละ <c oughs> มันก็บอกพอพักก่อนพั ก, ก็เฉยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าวักไปบางเว้นทีน ก, ก็เฉยไปตอนนั้นเอง ก็ไม่ได้ล่ากีเล็นะเพราะงั้นในสิบแปดนี้ท่านเรียกอย่างโลกีนี่จะสุขจะทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งสิบแปดจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สามเวทนาในหกทวาร น, นี้หรือในหกอายตนะนี้ในหกพัสดะนี้ในหกวิญญาณ น, นี้ก็เป็นเคหะจิตตะเวทนา สุขทุกข์อยู่ในนี้ถ้าไม่ได้ล้างคุณก็จมอยู่ในเคหะสิตะนี่แหละและบอกแล้วว่าจากคุณไม่ล้างด้ว ย, จจ น, ยนิปพจนาญาณไม่ล้างด้วยญาณปัญญาโลกุตระปัญญาเป็นหรือสมัปปัญญาฉันเรียกอีภาษาจะใช้มาสมัปปัญญาเป็นปัญญาอันเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วมันจบโอ้อันี่มันสุขคลิกะจริงนี่ว่ะ มันสุกหลอกสุกเท็จนีว่วคุณจบคุณเห็นเท็อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่คุณจบแล้วคุณก็เห็นชัดเจนเลยว่าเลิกได้ไม่เห็นเสียความประเสริฐตรงไหนว่างสบายจะตายเลยนะเพราะงั้นเมื่อคุณสามารถแยกเคหะสิตตะสิบแปดกับ เนธธรรมสิตะอีกสิบแปดก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่มันล้างกิเลสแล้วมันก็กลายเป็นวูปัสมโมสุขหรืออุปสมโมสุขคือสุขกิเลสระงับทุกกิเลสระงับทุกกิเลสระงับยังไงคุณตั้งใจลดกิเลสตัวนี้ พอเริ่มลดลงไปลดลงไปใหม่ๆในตัวเคร่งปฏิบัตินะสังวรระวังมากมันก็แม่ช้านนึงทําได้ไม่มีกิเลสตอนนี้ไม่มีกิเลสกามกิเลสพยาบาทกิเลสไม่มีตอนนี้ไม่มีแต่ยัควบคุมอยู่อย่างแจเลยระมัดระวังอยู่เลยนะแต่ไม่มีไม่มียังไงก็ไม่เกิดที่จิตเรก ต้องคุมแจเ่เคร่งคุมวิตกวิจารณ์เพราะงั้นวิตกท่านถึงแปลเอาเนื้อหาสาระของไทยว่ากังวลวิตกนี่คือความกังวลควรความยังไม่วางใจไม่ได้ยังไม่โล่งยังกังวลยังลำบากลาบนอยู่ยังก ร, กระวนกระวายใจอยู่หรือถ้าจะใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คือทรัตตะกังวลกระวายใจอยู่ แต่มันยากกว่าธรทธะภาษาไทยมันไม่มีถ้าไม่แปลรธรธรว่ากระบนกระวายใจไอ้ตัวนี้ก็ยังอาการนะ่ะที่จริงมันก็สงบและมันก็ดีใจมันก็สงบลงมาท่านหนึ่งแล้วนะ ทีนี้ถ้าคุณทําไปเก่งกว่านั้นขึ้นไอ้ความเคร่งคุมอัตมาเทียมเมือขัดจั ก, กรยานใหม่ๆอู้หูไม่ไหวขึ้นจั ก, กรยานได้แล้วถีบไปแล้วถีบไปได้แล้วไปได้แล้วแล้ ว, ลวเอวอ่อนเนี่ยโอ้โ ห, โโหลงมาจากรถบวดเอวชะมัดเนละโอ้ยป <c oughs> วดเอวมันต้องระมัดเคร่งคุมต้องระมัดระวังนะสารนี่คือชาตหนึ่งอากาศของต้องมีวิตกวิจารณวิจารก็คือพฤติกรรมตักกะก็คือ สิ่งที่ดำริไต่ตองถ้ามีอีกกิเลคุณก็ต้องคุมกิเลสอย่าให้มันมีนะถ้ามีกามมามิตกด้วยกามมาสังณปะคุณก็ยาให้ำมันมีกามนะคุณต้องระวังมันอย่างด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่จะวิแคมปะนะหรือว่าจะพยายามพิจารณาแล้วมันก็เก่งเท่านั้นวัตถีของปัญญามันยังไม่สูงอํานาจของปัญญาไฟชานมันยังไม่เก่งมากมันก็ลางยังไม่ได้ทีเดียวมันยังอต้องใช้พลังเสริมอยู่ แต่คุณดีใจมีปิติเพราะฉะนั้นชาหนึ่งนี่มีทั้งวิตกวิจารมีทั้งปิติมีทั้งสุขมีทั้งเอกัคตาชาหนึ่งพอวิตกวิจารณ์เพา่าไม่ต้องเคร่งุ้มเท่าไหร่แล้วสบายก็มีแต่ปิติกับสุขพอต่อไปก็ชินชาปิติอย่างที่อาตมาที่บายอนาคามีห้านะถึงเวลาวาระเวลาไม่ต้องทําอะไรมันก็สุขแต่ถ้าคุณทามันจะเร็วขึ้นอุปหัจจะด้วยสังขาระมันก็จะได้เร็วขึ้น แต่ถ้าปล่อยไปมันก็จะก็ได้มันก็ได้แต่มันก็อิ่หน่อยนานๆไปมันก็ชินมันก็ชามันก็เฉยไปเองแต่บางคนอาจจะนานแต่ถ้ารู้วิธีแล้วมีทุจนิตมีวิธีปฏิบัติแล้วคุณจะไปปล่อยมันทําไมล่ะก็ล้างพิจารณาให้มันตรงไปมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่มีปิติหรือปิติเล็กน้อยเป็นภาณาปิติแพร่ซ้ำก็ทั่วทุ่งขนมันก็นิดนึงก็ไม่เป็นไร มไม่ได้เสียแค่คาราเรี่มไม่ได้เสียสปาอะไรมากมายหรอกนิดๆหน่อยๆพรณนาพิติแต่ถ้าคุณยังพิติว่ามันต้องโอ้โหต้องมีใจต้องชื่นใจต้องปิติตต์งี้ถ้าไม่พิติตงี้ไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นโอกันติกาพิติเป็นอุเพงกาพิติเป็นปิติที่จะต้องแรงมันจะมันไม่มั น, ม น, ม น, มนไม่ได้เหมือนพวกที่จะทําตัวเองตื่นเต้นโอ้โหเสร็รถเรานี้ตื่นเต้นอย่างพวก ไม่มันเตะบอลเข้าโกได้ที น, นั่นแหละมันต้องกระโดดตีลังกาเตะปวดยัไงไง ไ, ไม่ไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นมันเห็นไมันกระโดดหัวิ้มหัวต่ำอะไรที่ทำได้มันทำไม่หมดขนานี้เวลาสอง น, น, นั่นแหละคืออุเพง <c oughs> ขาติเขาอธิบายไปเดินเชิงโอ้โหได้ลอยได้กระโดดยงเย็งอะไรไม <c oughs> ่เอาก็ไปแล้วแต่จะอธิบาย เมื่อคุณสามารถแยกเนคข ม, มะสิตาอุเบกขากับเกหะสิตะอุเบกข า, าได้เมื่อนั้นคุณเนคข ม, มะเป็นคุณมณสิการเป็นคุณทำใจในใจเป็นคุณลดละกิเลสได้อย่างโยนิโซอย่างแยกขา ย, ย่างท่องแท้อย่างลงไปถึงที่เกิดและลดกิเลสถูกตัวแหล่งเกิดคือกิเลสเกิดทำให้กิเลส ต, ตาย ความเกิดความตา้คุณทําสําเร็จเรียกว่าโอปปาติกะโยนิการเกิดทางโอปปาติกะทางจิตวิญญาณทาให้อกุศลจิตตายกุศลจิตคุณก็เกิดทําให้เคหะสิตตะเวทนาตายเนคขมะสิตตะ ค, คุณก็เกิดออกจากกามออกจากนิวรณ์ออกจากกิเลสได้เรื่อยๆขึ้นมา คุณก็จะรู้ว่าอ่นนี้คือเนคขมมะไม่ใช่เนคขมมะคือมาโกนหัวแล้วก็นุ่งผมจีวรแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เรียนธรรมะเข้าใจดีท่องขึ้นใจโอ้เข้าใจดีมากเลยสอนเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเลยเสร็จแล้วได้เวลาภาระดีๆก็ ได้ที่ตัวนิวร์กินตัวไปทั้งตัวก็เป็นความจริงของผู้ที่ไม่บรรลุจริงถ้าบรรลุจริงแล้วมันก็ไม่เป็นมันเป็นสัจจะไงใครทำได้ก็ยืนยันความจริงนั้นศาสนาพุทธมาตั้งสองพันกร้อยกว่าปีแล้วมันก็มีสัจจะตรงนี้อยู่ก่อนจะหมดก็ก็ต้องถึงร้อยแ เวตนาร้อยแปดก็คือเราก็ปฏิบัติไม่ได้หนีโลกไม่ได้ทิ้งจากโลกเคหะสิตะคือโลกโล ก, กีเขานี่แหละมีรูปโลกเป็นเสียงสัมผัสมีลาบยศเฉรนเฉินโล ก, กีสุกมีโลกกรทัมนี่แหละแต่เราก็ได้ละลดไปตามลำดับที่เราได้ตั้งศีลตั้งกรรมฐ า, านตั้งเรื่องของเราว่าเราจะเลิอกอันนี้ๆๆมากกเลตตัวนี้ตัว น, วนี้ตัวนี้ก็จับได้แล้วก็เลิกละมาได้ หมดความเป็นเคหะสิตะพ้นจุดสําคัญอุเบกขาถ้าอุเบกขาเคหะสิตะมันคือเอกอุเบกขาพักยกไม่คราวโชัวคราวมันพักยกเท่า น, นั้นไม่อภพยากริตมันไม่ใช่พักจริงแต่อุเบกขาของเนคขมัสิตะอุเบกขานั้นเป็นการว่างเพราะกิเลมันดับตายสนิท มันไม่มีกาไม่มีอัตตามันกลางเฉยไปอย่างนิจจังทุวังสัสตตังเที่ยงคุณก็ทำเที่ยงนี้ได้ก็ทำไปอีกสังสมลงเป็นอดีตของส6มบมโนปวิจานีเคหัสิตตะสิปกับเนคขมสิตะสิบคุณก็อยู่กับโลกเคหัสิตตะแต่คุณก็เคหัสิตแต่คุณก็เนคขมะได้คุณก็ยืนเมื่อไรสัมผัสปุ๊บ กอุเบกขาทั้งผัดปุ๊บก็อุเบกขาทั้งผัดปุ๊บอุเบกขาไอ้นี่มันไม่ไม่อุเบกมันแว่นนิดของคนแะมันไม่สมบูรณ์คนก็ทําไปอีกสั่งสมอันดีกาลษาอันดีปัจจุบันอนาคตปฏิบัติในปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นธรรมชาติปฏิบัติไปคุณก็สั่งสมอันดีไปโดยการมีสติสัพชัญญาปัญญาปฏิบัติสั่งสมส่วนที่เป็นอันดี สูนยศูนศู น, น, นจนกระทั่งทุกปัจจุบันมาเท่าไรก็ศูนย์ปัจจุบันกับอดีตจะเป็นคำตอบของอ น, นาคตว่าศูนย์แน่แน่คุณจะปฏิญญาตนได้ว่าจบจิตเพราะศูนย์ทั้งสามอย่างเลยผ่านปัจจุบันที่มีของจริงผ่านปัจจุบันที่มีของจริงไม่ใช่ไป โอ้เราเป็นนิพพานแล้วเพราะว่าเรานั่งสมาธิฝันแล้วก็สร้างมบพสร้างชาติเป็นนิพพานไม่ใช่มีโลกีมีเคหะสิตตามีตาหูจมูกลิน้นกายใจมีสิ่งเป็นเหตุเป็นปันจจัยนั้นอยู่แต่อยู่เหนือเหตุปัจจัยนั้นเหตุโดยละโยยศโ ด, ดยเซิญเซิญโดยกามลูก ร, รถเป็นเสียงสัมผัสใดๆก็ตามอยู่เนื้อมันจริงมันไม่มีกิเลสเกิดจริง ทั้งส่วนอดีตและอนาคตศูนย์ทั้งคู่ในอวิชชาแปดส่วนอดีตส่วนอนาคตและข้อที่เจ็ดทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตศูนย์ส่วนอดีตและอนาคตข้อห้ากับข้หกไม่เที่ยงไม่ศูนย์ไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอส่วน ข้อที่เจ็ดส่วนในดีและส่วนอนาคตนั้นศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงท่านถึงไม่พูดถึงปัจจุบันพูดถึงส่วนในดีและอนาคตที่คุณต้องรู้ว่าส่วนในดีคืออะไรของคุณคุณเป็นคนสังสมและคุณต้องตอบตัวเองว่าอนาคตมันศูนย์หรือเปล่าคุณเป็นคนตอบตัวเองคุณเป็นคนมั่นใจกับตัวเองคุณตัดสินเร็วตั้งตั้งนี้มันไม่คุณก็เป็นอรหันคาเกเป็นเสียท่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณ แน่ชัดไม่จกประมาทผู้ที่จะเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์เขาไม่ไปเดืๆคือกิเลสอัตตาตัวตนกิเลสอะไรพวกนี้มันลดจริงๆอั ต, ตามานะพวกนี้มันไม่มีปัญหาหรอกมันจะไม่ไม่ไปนั่งหลอกค น, คนนั้นคนนี้ก็ทําไมก็ต้องไปเอาจริงแล้วก็ไปหลอกทําไมแล้วก็ต้องกิเลสจะไปโอดอยากอวดอยากโอก็มันก็ลดจริงๆกิเลสอัตามานะอะไรมันลดจริงๆเพราะงั้นเหมือนก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็ก็ทําให้มันสมบูรณ์ จนกว่าคุณจะตอบหรือไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบจะมีหรือไม่มีคุณก็รู้ความจริงของคุณนะสรุปแลวเวทนาร้อยแปดนี้ไม่ใช่ภาษาธรรมด า, ษาคือสภาวะที่แท้จริงที่จะต้องปฏิบัติจนกระทั่งมีสภาวะพวกนี้บรรลุทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตคือศูนย์ทั้งหมดเป็นอรหันต์นี่นะเป็นอรหันต์แล้วส่วนอนดีตและส่วนอนาคตก็ไม่เที่ยง ไม่เทีย่ยคืออะไรคุณยังไม่ตายคุณต้องผ่านผ่านแล้วคุณไม่ทําชั่วคุณจะทําแต่ดีสัพพปาปัสสะคดอ น, นังไม่ทำแล้วบากิกเลนหมดแล้วทาแต่กุศลระนั้นก็ตามคุณก็ต้องมีวิบาเพราะฉะมีบาดาอนาคตนั้นคุณไม่เทียงแต่กิเลสของคุณนั้นข้อที่เจ็ดกิเลสของคุณนั้นทเทียง คือมันไม่สุมันไม่มีแล้ว <Hoch sch at> คุณจะสร้างกุศลอีกเท่าไรคุณก็ศูนย์คุณจะสร้างไม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญคุณสร้างได้แต่กุศลแต่บาปบุญคุณเที่ยงแล้วไม่มีบาปไม่มีบุญไม่ต้องชําระกิเลสอีกบุญคือการชําระกิเลสไม่ต้องทําอีกแล้วศูนย์ตลอดกาลนานอนาคตก็ศูนย์ตลอดบาปไม่มีคือกิเลสไม่มีบุญก็ไม่ต้องชําระกิเลสผู้บดบาปหดบุญ เที่ยงแต่กุศลไม่เที่ยงมีแต่กุศลอย่างเดียวอ ก, กุศล ไ, ไม่มีอรหันไม่มีอกุศลไงมีได้อรหันบางองค์พลาด <c oughs> เพราไม่เก่งเพราะฉะนั้นอย่างนึ่ว่าอารหันทําผิดไม่ได้ผิดสมมุติ์ทีสัจจะแต่ปรมาทัตของท่านไม่มีผิดอีกแล้วไม่บาปอีกแล้ว ไม่บาปอีกแล้วอรหันต์แน่นอนไม่มีบาปอีกแล้วแต่กุศลที่จะทํากับโลกคุณไม่มีความรู้ในโลกีคุณก็ไปอนุโลมปฏิโลมด้วยว่าทํางานกับเขามันผิดมันผิดพลาดมันก็เป็นอันตรายอันแสบเผ็ดของพระอรหันต์ได้จึงต้องประมาณเพราะฉะนั้นโลกียะมันไม่เทียมเหตุปัจจัยของโลกียะมันไม่เทียม และไม่ใช่เหตุปัจจัยของท่านของท่านคือกิเลสท่านเรื่องของท่านจบแต่เรื่องของโลกไม่เทีย่ยงข้อห้ากับข้อหกยังไม่เทีย่ยนงะอดีตก็ไม่เทียงอนาคตก็ไม่เทียนะ 7, เท่ยงโซ่ข้อเจ็ดนั้นเทียงข้อแปดปฏิจจสุบาทนี่คือวิชาแปดข้อสี่ข้อต้นก็คือทุกขสมุทยัยนีโรสมัก แล้วก็ส่วนอดีตส่วนอนาคตทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตก็เจ็ดปฏิจจุบุบาทข้อที่แปดอ้าวไม่มีเวลาให้ท่านสรุปแล้วจงสรุปโดยเวลาศูนย์ขอได้้ฟังทั้งหมดนันคือความความสุดยอดของคุณก็คือความศูนย์แต่ความความรู้สึกว่าท่านได้ฟังนี้แล้ก็เข้าใจชัดสองดภาพนะว่า ถ้าเราเดินทางมาสู่ความศูนย์เนี่ยแสดงความสุดยอดของมนุษย์ที่มันมีพิสดารมากมายที่พ่อครูที่ายแต่มนุษย์เขาไม่เข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจว่าสุดยอดของมนุษย์ก็คือว่าสุดอร่อยสุดมันนะสุดแซ่บสุดนัวสุดสนุกอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอย่างที่พ่อครูที่ใบเราฟังแล้วว่าเมื่อไหร่ที่คุณตายแต่มนุษย์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องตายเนี่ยแล้วต้องเราต้องพัดพลาดจากสุดอร่อยสุดมันสุดสนุกสุด อะไรดจืเยอะแยะที่เขาไปแแบบหากันนั้นนะท้ายมันก็ลายเป็นสุดทวยของเขาที่เมื่อเขาต้องพัดภาคซึ่งเวลาที่องพัดภาคกันยาวนานกว่าที่เขาได้เศษที่เล็กทีละน้อยงั้นพวกเรามามาเนี่ยเหมือนกับว่าเราทิ้งความสุขนะถ้าเรายอนมองย้อนหลังอย่างน้ว่าเอ๊ะของอร่อยอยังเยอะแยะเรานึกถึงแค่เนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเรานึกถึงว่ามันโหมันอร่อยอั่งนั้นเลยเนี่ยเราทิ้งมาได้ยังไงแต่เราจะได้ว่าพอเราทิ้งมาแล้วเนี่ย มันมันไม่ได้ทุกคนก็ต้องไปอ่านเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นอุเบกขาไอ้มันจะเป็นพักยกหรือว่ามันจะเป็นพักยกหรือว่ามันมันเป็นหนักขึ้นกว่าเก่านะก็ต้องดูด้วยล้อ่านจิตของเราแล้วว่าเม่อเราจากไข่ที่อร่อยของเราปลาที่อร่อยของเราหมูที่อร่อยของเราแล้วเนี่ยจิตมันโอ้โหเมื่อไรจะได้กลับไปกินอีกทีหนึ่งเนี่ยแปลว่าพักยกนะอย่างเช่นกินเจก็วันมดลี่สิบเขาก็ หนักขึ้นกว่าเก่ากิเลสมันก็โตกว่าเก่าได้หรือว่าพระที่มาบวชถือพระประจันอะไรเงี้ยพวกสายนางหลับตาที่พระอาจารย์เนี่ยดีไม่ดีก็อย่างเน้นคำเนี่ยไปเมียแปดคนลูกสองอะไรอย่างเง <c oughs> <ances S 2> ี้ยนะคือแสดงว่าอุเบกขาเนี่ยมันเป็นมันพักยกแล้วกิเลสมันก็โตขึ้นแต่กว่าเก่าคือมันเป็นขยายตัวอัไประเด็นที่พวกครูเน้นมาทั้งหมดคือว่าทำยังไงเราถึงจะอ่านสภาพจิตของเราที่มันปล่อยได้วางได้เวทนาจะเป็น ได้คำมาออกมาเราเห็นความสงบเห็นจิตใจที่เป็นวิเศษตรงเนี้ยมันจะทําให้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่พักยกแต่เห็นความวิเศษของจิตที่มันมันศูนย์เนี่ยมันศูนย์ดีกว่าสุดยอดสุดมันสุดอร่อยที่เราไปลงหัวปักหัวปั๊มแล้วต้องไปทุกข์ทรมานกับมันอันนี้ก็เรียกว่าท่าครูใช้เวลาเวนาทังร้อยแปดเนี่ยนะสองชั่วโมงกว่าเนี่ยแล้วก็อันนี้นิจจังภาคภาคลึกซึ้พิสดาร บวกกับเวทนา108อีกไปด้วยคิดว่าก็คงจะได้ทบเท้วงกันในภายหลังแต่ ว, วันนี้คงต้องกราบขอบคุณพ่ครูด้วยความรูสกสูงนะครับก็ขอโวอา น, นาให้พวกเราหมดความสุดมันสุดยอดสุดอร่อยด้วยกันทุกคนนะทุกเรื